อาจารย์ครับก่อนวสการครับเจริญ์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เปลี่ยนวันนิดนึงนะครับอาจารย์ครับได้แจ้งเพื่อนๆไปแล้วครับว่าเปลี่ยนครั้งเดียวครับอาจารย์เดี๋ยวครั้งหน้าจะกลับสวนอาทิตย์เช่นเคยนะครับอาจารย์ครับไม่มีรายแน่นอนนะครับผมอาจารย์ครับมา่เช้ามีคนไปใส่บาทรเยอะไหมครับผมสองร้อยเก้าสิบวันนี้ฝนตกตอนเช้าช่วงบ่าย คนเลกน้อยหน่อยคนน้อยเลยครับธรรมดาวันเสาร์วันอาทิตย์ทั้งสามน้อยขึ้นไปสาม้อยกว่าแต่ก็ไม่น้อยมากแต่แต่ทางบ้านก็เต็มเหมือนเดิมเพราะว่าทางบ้านไม่ตักฝนไปอาทางบ้านก็ใไฟประมาณสองร้อยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้ววันนี้ที่หน้ากุดบอกว่าร้อยแปดสิบกว่าคนละครับอาจารย์อรอยแปดสิบถ้ารวม ก, กันก็เกือบแปดร้อยก็ เจ็ด้อยเก้าสิบกว่าถักผมก็อย่างานนั่นหมือนเดิมอาจายคนชอบชอบนั่งสมาธินนะไม่มีใครบ่นนะอ๋อ oh. ได้โอกาสได้ครับอาจารย์อมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องหาคนร่วมนั่งเป็นเป็นกิจกรรมที่คนถ้านั่งคนเดียวรสว่ามั น, ม, นมันนั่งยากกว่าแต่ถ้ามีกิจกรรม มันก็เลยมีคนเดินนั่งด้วยเราก็ต้องทนนั่งต่อไปกับเขาก็ดีถตาเราฝึกที่เริ่มต้นใหม่อาจจะต้องมาใสกเขาเรียกภาษาอังกฤษเ็เรียก Peer Pressure นะฮอ๋อ oh, Peer Pressure คือกดดันจากฝุชนชนนี้แหละครับอาจารย์กดดัน <c oughs> จากคนรอบข้างถ้านั่นคนเดียวมันมันมันมันเกเยได้ใช่ไหม แตถ้านั่งคนอื่นนี่มันเคลยรไม่ได้คนหนึ่งก็นั่งนิ่งแล้วมันต้องนิ่งขยับไม่ได้เลื่อไม่ได้ก็ดีรู้สึกบาคนเ้าชอบแลโอ้ศาสตั้งใจม า, มาเพื่อมานั่งสมาธิไม่ได้มานั่งเพื่อฟังธรรม้วยหลักอยากนั่งสมาธิอยากฝึกสมาธิครับก็ดีเมื้วเราก็เลยยิงยิงนกด้วยกระสุนนกเดียวได้นกสองตัวเราก็ได้พักหน่อยเออไม่ต้องพูดมากแล้ว ญาโยมก็ได้ฝึกสมาธิเพราะว่าต้องต้องอาศัยการเจรัญสติของตนเองคือถ้าฟังธรรมก็เพียงแต่อาศัยเสียงธรรมฟังไว้เรื่อยๆแต่พอไม่มีเสียงธรรมนี้ก็ต้องกำหนดกรรมฐานขึ้นมาดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธหรือสวดมนต์เพื่อที่จะควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆ ถ้าไม่ทําแล้วถ้าไม่มีอะไรก็กลุมใจเนี่ยมันลอยไปกับความคิดและความอยากมันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทําให้ใจดิ้นนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้อาจจะรู้สึกออึดอัดเราต้องใช้กําลังของสติมากกว่ามากการทําธรรมสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่อาจจะสายการทําธรรมเป็นเป็นตัวสร้างสติขึ้นมาก่อน เราพอฟังธรรมทั้ครึ้นขึ้นมงออมาเริ่มมีสเ็จกำลังมากเก้นก็อาจจะเราพุโทโธไปหรือเราดูลงไปก็าจะสามารถนั่งต่อไปได้วันนี้เห็นภาพคนก็แน่นเลยนะครับอาจารย์ตอนที่น่ากุศนะครับก็พคนทุกต่งหยุดใหม่ๆด้วยพอดีคนที่เคยนั่งอยู่ในป่าเลยต้องออกมาจากในป่าก็มานั่งในศาลาอ๋อเห็นภาพแล้วคนดูแน่นมากนะครับ ก็เท่าเดิมประมาณร้อยแปดสิบบาทแล้วปกติถ้าฝนไม่ตกชวนจะหลบไปนั่งในในโร่ไม้กันที่ข้างๆศาล า, ามีร่มมาให้นั่งกันครับผมครับอาจารย์ครั บ, ร บ, รบก็ไปเจอญาติเป็นโลครายอีกแล้วครับพระอาจารย์แล้วก็เ อ, อทุกทีได้ฟังพระอาจารย์ก็ก็รู้สึกได้ได้ความเบาใจไปแต่รอบนี้มันรู้สึกเป็นญาติสนิท ด, ด้วยครับพอาจารย์ก็เลยกระเทือน พอสมควรครับก็เลยกลับขอปัญญาพระอาจารย์อีกครั้งครับก็เรื่องของร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันธรรมชาติที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครสามารถที่จะก้าวล่วงความแก่ความเจ็บความตายไปได้แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าของพระล า, า, านตาสาวกท่าไหรายก็เป็นเหมือนกันแต่ความทุกข์ที่ไม่ได้เกิดที่ร่างกายนะความทุกข์มันไเกิดที่ใจ ใจที่มาครอบครองร่างกายใจที่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภาัพฑาชนิดต่างๆจึงต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกเวลาที่ไม่ได้เสกรูปเสียงกลิ่นรสแล้วใจจะรู้สึกเหงาเศร้าส้อยว้าเวย ไม่บิกไม่สดชื่นเบิก บ, บานเมืกัเวลาที่ได้ไปเสพสังเกตเวลาที่อยู่บ้านต้องอยู่บ้านาเวลาที่ออกไปข้างนอกนี่เวลาออกไปข้างนอกมันรู้สึกมากเลยเบิกบานเพราะไม่ได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรับแต่เราอยู่ที่บ้านมันไม่ได้เสมันดูเสียงกลิ่นรสที่บ้านมันของ จ, จสสําเจซ้ำซากมันดูแล้วไม่มีไม่ไม่มีความสุขนะครับ คนยังอยู่ไม่ติดบ้านกันสร้างบ้านราคาเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ไม่ได้อยู่กันนะสัญญาไว้สำหรับมานอนท่านเองกมางันจากที่ทํางานนัดเที่ยวเหนื่อยห่ายก็พักผอนหลับนอนพอตื่นเช้าทนะ่ออกออกกันทุกคนอะเงี้ยไม่มีใครอยู่บ้านกันก็มีห้างเอ็ดแล้วว่าต้องไปทํางานต้องไปโรงเรียนนัถ้าปิดถ้าไม่ไม่ได้ทํางานไม่ได้ไปโรงเรียนก็ต้องไปเที่ยวล้วสิสาวาทุก บมาในอุตสาหสะมันเป็นราคาเป็นแพงกลับไม่ได้ใช้มันาไงสาวใช้ก็ไปเช่าโรงงานอยูอ่ไปอยู่ตามโรงงานเสียเงินเสียทองเพิ่มขึ้นนี่เราอำนาของกิเลสมันสามารถหล่อไข้ใจนี้ต้องวุ่นวายกับการหางเงินหาทองเพื่อมาตอบสนองความอยากของกิเลสก็อยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นด้านต่างๆแล้วพอร่างกายไม่สบายึ้นมาเป็นไงทุกข์เปรต สบายถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เอาเอาเอาโลคง่ายๆเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องนอนเตียงออกไปข้างนอกไม่ได้ทุกข์ใจเกิดขึ้นด้วยอืทุกข์กายไม่พอยังมีทรมทุกข์ใจความเศร้าห้วยเหงาความหงุดหงิดอันนี้เป็นความทุกข์ทางใจที่ทุกข์กันเนี้ไม่ได้ทุกข์ที่ร่างกายคือร่างกายมันไม่มีความรู้สึกมันไม่รู้ว่ามันตัวมันเจ็บไายได้ป่วย ร่างกายมันเหมือนต้นไม้มันไม่มีการรับรู้มันไม่มีการรับรู้ว่าร่างกายของตัวเองเป็นอะไรเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ผู้ที่รับรู้คือใจที่มาครอบครองร่างกายเพราะใจต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแต่ร่างกายนี้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญต่อใจเป็นอย่างยิ่ง พอถ้าไม่มีร่างกายแล้วใจไม่สามารถที่จะหาความสุขได้ถ้าไม่มีร่างกายนี้ใจก็จะไปหาร่างกายใหม่ไปไเกิดใหม่เวลาร่างกายนี้ตายไปใจก็จะต้องไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อที่จะใช้ร่างกายนี้ไปเป็นเครื่องมือหาความสุขไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรถ้ามามาขัดขวางการหาความสุขของใจ อ่านทางร่างกายใจก็จะไม่ไม่ไม่ชอบใจก็ไม่ต้องการใจก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาจากความที่ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้ในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะเจอโรคอย่างเช่นมะเร็งเนี่ยรางกาว่าจะต้องสูญเสียร่างกายไปแล้วถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ปฏิบัติวิธีปฏิบัติกับความตายของร่างกายความเจ็บไข้ ใจก็ไม่รู้จะทำยังไงใจก็เครียดใจก็ทุกข์อย่างแสนสาหาัส แ, แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าเราคนที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาใน้ฟังเทศฟังธรรมได้เข้าใจความจริงว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันร่างกายเป็นอะไรแต่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายที่ใจ ทุกข์็เพราะใจไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายแล้วคิดว่าตนจะตายไปกับร่างกายแล้วก็ไม่มีไม่มีความสามารถที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เนี่นะคือสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์คือความอยากอยากไม่ตายอยากให้ร่างกายอยู่เป็นนา น, านอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย แต่ธรรมชาติของร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่มีตัวตนและไม่เป็นธรรมชาติที่ธรรมาจากดินน้ำลมไฟธาตุสี่เป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ก็ทํามาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ใจต้องศึกษาก็คือต้องแยกให้รู้ว่าตนเองตอนเอง นใจนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้เป็นความ ร, รู้สึกนั้นคิดไม่ได้เป็นร่างกายแต่มาครอบครองร่างกายอาใช้ร่างกายเป็นเหมือนคนนับใช้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวประโยชน์ของร่างกายมีแค่ที่มีตาหูจมูกลิ้นกาย ท, าทั้งนั้นที่ใจต้องการเพราะใจไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภได้โดยไม่มีร่างกายก็ลเลยต้องพึ่งร่างกาย ไม่ต้องพึ่งร่างกายถ้าร่างกายเป็นอะไรไปมันก็จะทำให้ใจเดือดร้อนขึ้นมาไม่สามารถที่จะหาความสุขได้ใจก็เลยเกลาความทุกข์กิดความเครียดกลาความซึมเศร้าเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาเห็นวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือเราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขของใจถ้ายังพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่ วันใดวันหนึ่งมันจะต้องเจอปัญหาแน่นอนเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายพ่ก่อลพิการขึ้นมาอันนั้นใจก็จะทุกข์ใจก็จะเครียดแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในวันข้างหน้าไม่ช้าก็เร็วแล้วการการเวลามันแก่มันเจ็บมันมันตายมันก็จะทําให้ใจทุกข์ทุกข์เพราะใจไม่สามารถพึ่งร่างกายได้แล้ว ใจก็ควรจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องพึ่งนั่งกายนั่นก็ที่มาของการมาฝึกสตินั่งสมาธิอันนี้คือการเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการมาสุขมาเป็นสันติสุขคือความสุขความสุขที่เกิดจากความสงบของใจซึ่งพระุทธเจ้าสรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของการมาสุขนัตติสันติบาังสุขังสุขอที่เหนือกว่าความ ความสงบไม่มีความสง บ, มสมบนี้เป็นความสมุขที่ยัยิ่งยวดยิ่งยอดที่สุดยอดที่สุดดีที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งที่มั่นคงแน่นอนที่เราสามารถใจสามารถมีได้ตลอดเวลาเพราะไม่ต้องไปพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นของไม่แน่นอนร่างกายก็เป็นของที่ไม่แน่ ทรัพ ส, สมบัติเงินทองที่เป็นเครื่องมือในการที่จะไปหาความสุขก็ไม่แน่นอนถ้าถ้าปัจจัยเหล่านี้เป็นอะไรปาปป้าการหาความสุขของใจก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีแต่ถ้าหันมาหาความสุขจากการฝึกสตินั่งสมาธิอันนี้ใจไม่ต้องพึ่งอะไรภายนอกเลยพึ่งพลังของตนเองคือสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้ได้ ทำใจให้นิ่งสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาพอใจในิ่งสงบเป็นสมาธินล้วใจก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็สามารถใช้ความสุขแบบนี้แทนได้แทนที่จะต้องไวหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสฐานทางร่างกายพอทำมสมาธิได้ทําใจให้สงบได้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายต่อไปน่างกายเป็นอไรก็ไม่เดือดร้อน เขาไม่ได้อาศัยมันแลเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่บ้านได้ไม่นอกนอ ก, นอกบ้านการมีรถหรือไม่มีรถก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญแต่คนที่ยังต้องออกนอกบ้านอยู่ต้องไปทําธุระไปทําอะไรต่างๆข้างนอกบ้านต้องมีรถยนต์นะถ้าขาดรถยนต์แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เหมือนกัน ใจถ้าไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเวลาร่างกายเจ็บก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนพราอใจสามารถหาความสุขได้ตลอดเวลาถึงแม้จะไม่มีร่างกายใจก็ยังมีความสุขได้ว่ามีสติมีปัญญาสตินี้เป็นตัวที่ทําให้ใจมีความสุขแบบชั่วคราว เวลสติควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ใจก็เนื่งสงบเกิดความสงบเกิความสุขขึ้นมาแต่พอถอนออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มไปนั่งคิดเริ่มไปรับรู้สิ่งต่ตางๆใจก็เกิดความทุกขึ้นมาได้อันนี้เกิดจากใจที่ไปขาดปัญญาคือใจไปพอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของหน้า ก, กายคิดถึงการทัดทาาจากคนที่เรารัก ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาทันทีเพราะไม่อยากให้เกิดไงไม่อยากที่จะให้เกิดการท้า้าไม่อยากที่จะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายความความอยากนี้แหละความอยากไม่เจอสิ่งต่างๆนี้ทําให้เกิดความทุกข์ทรมาร์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะให้ใจทุกข์ทรมารก็ต้องสอนใจความจริงว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยมสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้บุคคลต่างๆก็เป็นของไม่เที่ยม วันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดผาจากการเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้ถ้าไปอยากมาให้ไม่มีการพัดผาก็จะทุกข์ถ้ายอมรับม่ต้องพัดผ้าใจก็จะหายทุกข์อันนี้เป็นขั้นของปัญญาพอใจหายทุกข์ระงับความอยากอยากเกิดจากการระงับความอยากไม่ให้สิ่งต่ตางๆสูญไปหมดไปใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไร ใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบแบบที่ไม่ต้องเข้าสมาธิในความสงบเหมือนกับเข้าสมาธิแล้วก็เป็นความสงบที่ยั่งยืนถาวรพะตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจคือความอยากต่างๆได้ถูกกําจัดด้วยกําลังอานาจของปัญญาความจริงที่ให้ที่สอนให้ใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะของทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีใครสามารถควบคุมบงังคับ ให้อยู่กับตนเป็นของตนให้ความสุขกับตนไปได้ตลอดเวลาวันใดวันหนึ่งก็ต้องเกิดการสูญเสียเกิดการสิ้นสุดลงถ้าปล่อยไนดะ้ไม่ไปยึดไปติดไปวังไปเพิ่งะสิ่งต่างๆไม่เพิ่งร่างกายไม่เพิ่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่เพิ่งุคคลต่างๆใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายร่างกายเจ็บใข้ได้เปิดก็ไม่เดือดร้อน เวลาสูญเสียคนที่เราล่าไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าใจยอมรับความจริงว่ามันต้องเกิดขึ้นใจสามารถอยู่ได้แต่ที่ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ใจมีสติมีปัญญาสองตัวนี้พอสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติกานนี้ก็มุ่งต่อยังปฏิบัติสติก่อนทาจิตให้สงบจิตสงบ ก็จะระงับความทุกข์ได้ให้เราเครียดกับโรคมะเร็งเนี่ยเราก็เข้าไปนั่งสมาธิพอจิตสงบความเครียดกับโรคก็หายไปชั่วคราวแต่พอเราออกมาจากสมาธิพลมอเห็นร่างกายเป็นโรคมะเร็งก็เครียดขึ้นมาอีกเพราะยังไม่ยอมให้มันเป็นไม่ยอมให้มันตายที่เราว่าเราใช้ปัญญาสอนใจว่าถ้ามันห้ามมันได้หรือเปล่าร่างกายนี้ ห้ามให้มันเป็นกม่งอะไรงดาหรือเปล่าห้า ม, มให้มันตายได้หรือเปล่าก็ห้ามไม่ได้ถ้าไปอยากห้ามมันมันก็ทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้เองถ้าไม่อยากเครียดไม่อยากไม่ไม่อยากทุกข์ไม่อยากเครียดก็ต้องยอมรับความจริงปล่อยวางร่างกายปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปเมื่อถึงเวลาของมันใจก็ไม่เครียดใจก็ฉายจากความทุกข์ โลกใจบมีจะจะอยู่โลกจะอยู่ต่อไปหรือไม่อยู่ต่อไปร่างกายจะอยู่ต่อไปหรือไม่อยู่ต่อไปมันก็ไม่เป็นปัญหาเพราะใจยอมรับกับความเป็นจริงของร่างกายได้อันนี้เป็นขั้นสุดท้ายขั้นปัญญาถ้าใจยอมรับได้แล้วก็ไม่ต้องเข้าสมาธิใจจะหายเครียดตลอดเวลา ได้ฟังมาอาจารย์ก็เบาแล้วครับอาจารย์เข้าใจไม่คุ้นเลยไม่ไม่ไม่ยากเกิดไปนะที่จะเข้าใจครับผมไม่ยากยากตรงที่ทำเนื่อง <laughs> ท, ทำสติทําใจในี่สองอย่างสติก็ทําให้ใจนิ่งแล้วปัญญาก็สอนให้ทําใจยอมรับกับความเป็นจริงแต่ฟังทีหนึ่งมันก็เบาไปทีหนึ่งนะครับอาจารย์แล้วเดี๋ยก็ลืมไปมันเป็นสัญญามันไม่ แล้วไม่นำมาไปปฏิบัติด้วยถ้าปฏิบัติอย่างน้อยฝึกสติฝึกสมาธิไปบ่อยๆตามไปอย่างน้อยก็อาจจะมีความสามารถที่จะเข้าสมาธิได้าขอบคุณพระอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้ดูคนจะเข้ามาตอนนี้แค่ประมาณ800กว่าคนนะครับคําถามจะไม่มากเท่าไหร่นะครับพระอาจารย์ครับคนส่วนใหญ่ว่าคง<ช>จะไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนวันกันนะใช่ครับ แล้วเห็นบ่นว่าเน็ตไม่ดีเลยครับอาจารย์ไม่รู้เพราะอะไรครับก็ฝนฟ้าอากาศมนะันรูร้สึกฝนตกเยอะช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องของกฎอนิจจังอนัตตาเนี่ถ้าเรายอมรับเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยอมรับเราอยากจะให้มีเจํานวนผู้ติดตามเยอะๆ เ, เหมือนเดิมเราก็จะทุกข์ขึ้นมาได้เมื่อกีก็เลยตลองกดจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าก็ยังยังสะดุดอยู่ครับ <c oughs> ไม่เก <c oughs> มันระบบอยู่ที่ระบบมันไม่ได้มีธีการเงินการทองคนละระบบกันครับมีคําถามจากคุณจัน ญ, ญาครับ <c oughs> เรียนถามพระอาจารย์บอกว่าลูกชอบพูดให้เราว่าเราเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องปรึกษาอะไรก็ไม่ได้ <c oughs> คนเป็นแม่จะต้องทําอย่างไรรู้สึกน้อยใจลูกครับ <c oughs> จะไม่น้อยใจทําไมถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ยอมรับใช่ไหมเราก็ไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดไปทุกอย่าง เวลาปรึกษาไม่ได้ก็บอกบอกพ่อมาก็บรรูปเหมือนกันไม่รจะทำไงก็น่นําให้เขาไปปรึกษากับคนที่มีความรู้แทนก็ไเลยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกถามไม่รู้ก็บอกไม่รู้ก็ไม่จะเสียหายตรงไหนแต่าตาตัวตนต้องเป็นหน้าต้องสามารถหาคำตอบให้กับลูกได้ทุกอย่างนี้ ไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์แล้วเราต้องยอมรับความจริงถ้าเราไม่รู้ก็ไม่รู้ก็เท่านั้นเองครับเป็นโรคไตครับอาจารย์แล้วก็บอกว่ามีอาการนู่นนั่นนี่คันไปหมดนอนไม่หลับเลยเหมือนมีเข็มมาทิ่มตามตัวทําใจยังไงก็ไม่สงบได้เลยครับจะต้องทํำยังไงครับอาจารย์ครับก็ต้องฝึกสติเนี่ยพยายามอย่าไปสนใจ อยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปหรือถ้าอยู่ไม่ได้ก็สวดมนต์ไปหรือถ้าดูลมหายใจได้ก็ดูลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวพอใจไม่ไปสนใจกับอาการต่างๆล่านี้มันก็จะไม่มาลบกวนใจใจก็จะสงบใจก็จะไม่เดือดร้อนกับอาการต่างๆต้อฝึกสติฝึกให้ใจนิ่งให้ได้ถ้าใจนิ่งแลวใจจะไม่มีปฏิกิริยากับ อาการต่างๆขอ ง, งร่างกายคุณพัชรวัตรครับลูกขอปัญญาเรื่องจิตทางโลกกับทางธรรมต่างกันตรงไหนครับคือจิตมันตัวเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ต่างที่ต่าง ก, ก็คือโลกกับธรรมโลกก็เป็นเรื่องของอนิจจ์ทุกขังมโนาตาเรื่องของความร้อนว่าสิ่งต่างๆที่จิตไปเกี่ยวข้อง ไปเพิ่งพาอาศัยให้ความเสุขมันเป็นเป็นทุกข์ทังนั้นทุพพ์เป็นของไม่เที่ยงเพราะทุกพพอเราไม่สามารถไปสั่งไปบังคับให้มันเที่ยงได้เช่นโลกธรรมสี่คือลาบยศรเสิริญสุขเนี่ยเราไม่สามารถสั่งว่าให้มีแต่เงินเข้าอย่างเดียวไม่มีเงินออกได้ให้มีแต่เจริญอย่างเดียวไปได้มันดีคือดีมันก็มันจะเสื่อมมันก็เสื่อมได้พอมันเสื่อมมันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมา ส่วนทางธรรมนี่เป็นทางเรื่องของการทําควบคุมใจให้อยู่ในควาสมสงบถ้ามีกำลังควบคุมใจให้อยู่ในควาสมสงบได้ด้วยสติได้ด้วยปัญญาใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาเย็นสบายตลอดเวลาทางโลกกาบทางธรรมันต่างกันตรงนี้ทางโลกเราควบคุมไม่ได้จะให้รักษาวความสุขจากราบยศฉลเสริญให้มันเป็นแต่เจริญอย่างเดียวไม่ได้ มันในเหตุปัจจัยที่จะทําให้มันเสริมที่ไม่อยู่ภายใต้วิสัยของเราที่จะไปควบคุมมันครับได้แต่ปัจจัยทางทางธรรมนี่เราควบคุมได้ไปควบคุมใจให้สงบทําให้ใจเย็นให้ใจมีความสงบให้เราสามารถใช้สติใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการควบคุมได้ทางธรรมยังเป็นทางที่ดีกว่าวิเศษกว่าเพราะเป็นทางที่ทําให้บรรลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ทางโลกนี้ไม่มีทางที่จะหลุดได้มดีแต่จะติดแลกลับมาติดอยู่เรื่อยๆตายจากภพกนี้ชาติหน้ากลับมาเกิดมาติดเนี้ยทางโลกกระทำไปเรื่อยๆ เ, เพราะโลกกระทำนี้เหมือนยาเสพติดถ้าเราเสพมาแล้วมันจะติด ส่วนตัวคิดว่าการเข้าฌานสมองสมองจะได้พักการทํางานความรับรู้ร่างกายจะหายไปลมหายใจหายไปนี่อันนี้เขาคิดเขียนมาอย่างนี้จริงไหมครับพระอาจารย์ครับก็ลองทําดูเดี๋มวไปคิดทำไมของพิสูจน์ได้สันทิฏฐิโกนพิสูจน์แล้วมันจะได้หายสงสยัยทําเองแล้วมันจะได้หายสงสยัยถ้ายังไม่ทําเองมันก็ร่างคิดไปร้อยแปดเมื่อกี้อธิบายให้ฟังว่าคนคนตาบอดคําช้างหคนเนี่ย คนหน่ไปคําหางช้างก็ว่าเป็นเหมือนช่อช้างนี่มันเป็นเป็นเชือกอีกคนไปคําที่ที่งูก็ว่าเป็นงูใหญ่อีกคนไปคําที่งาก็ว่าเป็นหอกคนที่ไปคําที่ท้องก็ว่าเป็นผนังเป็นฝาผนังคนที่ไปคําที่หูก็ว่าเป็นใบเป็นพัดเนี่ยมันก็ถูกทั้งนั้นนะแต่มันไม่ถูกอย่างอย่างสมบูรณ์เนี่ยเรามานนั่งเถียงกัน มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปปฏิบัติดูเสแล้วมันจ ะ, จะรู้เองอาการนักสมาธิจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง เ, เขาบอกว่าหนูกับแม่ชอบอยู่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอกเพราะการอยู่บ้านไม่วุ่นวายและสงบขับนั่นแหละเราไม่ต้องมายุ่งกับเหตุการณ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นั่งกรรมฐานแล้วลมหายใจหายไปร่างกายหายไปอย่างนี้คือจิตเข้าสู่สมาธิแล้วใช่ไหมครับถ้ามันสมาธิจริงมันจะเกิดความมหัศจรรย์ใจใจจะเบาใจจะสุขอย่างมหัศจรรย์ถ้ายังไม่เจอความสุขแบบนั้นก็ยังถือว่ายังมันเข้าไปไม่ถึงถ้าคุณเข้าถึงสมาธิเจอความสุขแล้วไม่ไปถามใครไม่สงสัยไม่อถามคนรืไม่มนนเสียเวลา เราจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ของตนวิถีชีวิตของตนจะเปลี่ยนไปจากคนที่เคยหาความสุขจากการเข้าสังคมนี้ก็จะกลายเป็นคนที่ชอบเข้าวัดเข้าวาเมยคุณมาริสาบอกว่าโรคไัยไข้เจ็บและความตายไม่เลือกคนรวยคนจนทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกันการใช้ธรรมโอสถ ร, รักษาคือการทำสมาธิและศึกษาธรรมและมีอย่างอื่นอีกไหมครับอาจารย์ครับ ไม่มีล้ก็มีแค่เนี่ยสติกับปัญญาของอย่างนี้ที่รักษาใจให้ไม่ทุกข์กับอะไรได้อันนี้กราบขอทำครับทักรักษาใจครับป่วยเป็นมะเร็งระยะสี่รักษามาห้าปีตอนนี้ดื้อยาต้องเปลี่ยนยาใหม่ใช้สามสิบบาทเมื่อห้าปีก่อนใช้ยามุ่งเป้าแต่ตอนนี้เงินรักษาไม่พอก็เลยถือมาใช้สามสิบบาทครับอาจารย์ ก็รักษาไปตามมีตามเกิดคิดถึงสมัยพระพุทธการท่านก็ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอไม่มียาท่านก็อยู่กันมาได้ท่านก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเราอยู่สมัยนี้มีโรงพยาบาลมีหมอวิเศษขนาดไหนเราก็แก่เจ็บตายเหมือนกั น, น, าาก น, นกกตา่นนตางกันที่ตายยากตายง่ายนะะสมัยสมัยเรานี่จะตายยากกว่าคนที่สมัยก่อนนสมัยก่อนก็ไม่มียาก็าไม่สบายสองสามวันเขาก็าตายแนละ้วจบ เราไม่มียามีหมอไมีเครื่องไม้เครื่องมือบางทีเป็นสามปียังไม่ตายเลยไห่ก็นอนกันแถวอยู่บนเตียงนั่นแหละไม่ได้ทําอะไรยาวแบบไหนดีวันนี้ยังยังคิดอยู่เลยครับอาจารย์ว่าโรคที่ผมรักษาเนี่ยเป็นโรคที่ตายแล้วสะดวกที่สุดเลยครับโรคอัมพาตนะครับสมองบล็อกไปแล้วจบปอดสติตายไปเลยครับออย่าอย่าไปอย่าไปป้าหัวใจดีกว่าไว้คนที่ตายหัวใจอยู่เต้นอย่าไปไปแต่ป้า ม, มันเลย มันพุ่งขึ้นมามันไม่เป็นปกติเหมือนเดิมแ่้เพราะอาวัยวะหรืออะไรสมองอาจจะเสื่อมไปแล้วเราจะอยู่แบบไม่สมบูรณ์เห็นความหวังดีบางทีมันกา็กลายเป็นความหวังร้ายไปโดยไม่รู้สึกตัวหวังให้เขาอยู่ต่อไปแต่การให้เขาต้องอยู่แบบเปน็นอมพลึกอมพาศแล้วเข า, วาต้องตายอย่ดีนี่ยที่สุดใช่ไหมระยะทางระยะเวลาที่เขาเป็นอมพลึกรมพาศนี้เขามีความสุขที่ไหนทั้งชีวิต ทุบไก่ก็ตายไปไปรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็ไปเกิดใหม่ได้ร่างกายใหม่ไม่ดีกว่าไปเปลี่ยนนั่งกายใหม่เถอะเลยไหนไปห่วงไปเสียดายนั่งกายเก่าทําไมครามการตายนี้ก็เป็นการไปเปลี่ยนนั่งกายเท่านั้นนะพวกเราไม่รู้กันเองเสียดายนั่งกายเก่าไปทําไมมันมันหมดอายุแล้วมันหมดความสามารถแล้วไปพยุงมันไว้ทําไมทิ้งมันไปไปไปเปลี่ยนน่ะไปเปลี่ยนนั่งกายใหม่ ความตายนี่ก็คือการไปเหมือนเข้าเข้าไปโรงพยาบาลแล้วหมอก็ฉีดยาสลบแล้วก็เปลี่ยนอวัยวะให้พอตื่นขึ้นมาก็ได้อวัยวะใหม่ได้ไตใหม่ได้หัวใจใหม่แข็งแรง ก, กว่าเดิมครับพตายไม่น่ากลัวถ้าเราเข้าใจที่ว่าเป็นการไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่เราอยากจะได้ร่างกายดีไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาบนี่นะแหละถ้าทำบุญก็จะได้ร่างกายที่ดี ทำบาปก็จะได้ร่างกายที่ไม่ดีครับนี่ถ้าบุญเยอะๆนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะไหมครับอาจารย์ไม่ต้องกลัวเลยทําบุญไม่เถอิด น, นี้นะ่ทําบาปมันน่ากลัวเกิดมาก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บติดตามมาอาการสาดที่สองก็ไม่คร บ, ครบอายุก็สั้นแต่ถ้าทําบุญนี่จะได้อวัยวะที่ครบร่างกายสมบูรณ์รูปร่าหน้าตา ของใสสวยงามโลคภัยแค่เจ็บไม่เบียดเบียนอายุยืนยาวนานเกิดมาที่กับครอบครัวที่มีฐานะการเงินการเงินการทองที่ดีเามื่อเช้าได้มีญาติพี่น้องของคุณหมาบอมาใส่บาตรพอดีไม่พูดเอา่าผมถึงก็นึกว่าค้ายๆใครนั่นน่ะไม่หวกเขาว่าออกไปเอา่เอาเสร็จไป น้องสาวแม่ยังไงใช่ไหมที่มาใส่ใช่ครับเป็นอาีครับอาจารย์ขนาดนีมอาจารย์ดูคล้ายๆใช่ไหมครับคุณคุณไมใช่คล้ายๆตอนนั้นคิดว่าคือเป็นพี่น้องแต่ไม่รู้เป็นใครหรืออาจจะจำไม่ได้าจะเป็นคุณแม่ก็ได้ไม่แน่ใจไม่กลนาทำครับเป็นอาีก็น่าเหมือนกันครับอาจารย์หน้าตาคล้ายๆกันครับไปสองวันแล้วครับเห็นน้องชายผมไปสองวันนะครับอาีไปเมื่อเช้าครับ คุณมาริสาครับถ้าทําใจให้เข้มแข็งยอมรับกับความเป็นจริงของการเกิดแก่เจ็บตายได้และไม่กลัวตายได้จะทําให้ความพุร้อน ท, ท, ท, ทุรายในจิตใ จ, ใจได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับมันจะเข้มแข็งง่ายก็น่ามีสมาธิเท่านัน้นจะมาข้ามบางคำให้มันเข้มแข็งมันเข้มมันขํามไม่ได้หรอกมันต้องฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆให้มันมีสมาธิมีเบิกขาให้มากยิ่งมีเบิกขามากเท่าไหร่ใจก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น อยาจะมาทาใจแบบคอยคำใจให้เข้มแข็งนี่มันอาจจะทำได้เป็นแค่แ ป, บแ ป, บแปบ๊บๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมดแรงนะต้องฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆให้เป็ น, ป น, ปนกิจกรรมประจำวันเหมือนกับการกินอาหารเนี่ยเรากินอาหารวันละสามมื้อเราควรอย่าให้สมาธิกับใจอย่างนั้นวันวันละครั้งก็ยังดี ขอความเมตตาครับอาจารย์ชี้แนะการวางใจในเพราะดูแลสามีที่ป่วยติดเตียงครับตอนนี้ทุกใจและท้อแท้มากกับชีวิตครับก็ทําไปตามกําลังของเราเท่านั้นทําได้เท่าไรก็ทําไปเลี้ยงเขาได้ก็เลี้ยงเขาไปรักษาเขาได้ก็รักษาเข้าไปถ้ารักษาไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ก็บอกพ่อสวดวิสัยนะ้วบงคนนี่ขายบ้านขายช่องขายแล้ว พนทุกคนเดือดร้อนกันไปหมดเพราะคนคนเดียวแล้วก็รักษาไม่หายอยู่ดีก็ต้องมีขอบมีเขนในการดูแลรักษาคนอื่นว่าดูแลเขาได้แต่อย่าทําให้ตัวเราผู้ดูแลไปเดือดร้อนกับเขาด้วยต้องรูจัจกทําใจอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นคนใจโหดเที่ยมทารุณนีกน่การทรมานการทําให้ตัวเราเดือดร้อนนี่ยไม่หวัหวโหดเที่ยมทารุณยิ่งกว่า แต่บางคนก็ยอมยอมขายบ้านขายอะไรยอมแล้วก็รักษาไม่หายอยู่ดีแล้วก็อยู่เป็นแบบทุกข์ทรมานทีนี้จะหาเงินมาหาเงินมาดูแลต่อก็ดูแลไม่ได้แต่ไม่ให้ไปฆ่าตัวตานยนะก็เพียงแต่ดูแลไปตามวิสัยกินได้ก็กิ น, มก น, กกนไม่มีกินก็กินไม่มีกินก็ต้องอดไปนะ คุณปราณีบอกว่าเพิ่งหายป่วยจากโควิดครับได้แนวทางการปฏิบัติจริงขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับทําฟังทำจากพระอาจารย์แล้วช่วยได้มากเลยครับทํางานที่งานต้องทํายอดครับพระอาจารย์บอกว่าเครียดมากที่ต้องทํายอดควรจะทําอย่างไรดีครับก็อย่าไปสนใจอยอดแต่ทํ า, าทสุดกาลังของเราก็พอได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ถ้าไมเขาไม่พอใจเขาจะให้เราออกก็ยินดีนะก็ จ, จบถ้าเรายังไม่ยอมยิ่ถ้าเราไม่ยอมออกเราก็จะเครียดตอนนี้ผมก็ทำใจยินดีถ้าเขาให้ออกจากสวแล้วนะครับอาจารย์ู้สึกรู้สใจ น, นะรเริ่มมีศัตรูมากขึ้นเรื่อยๆนะไ บอกว่าขอบคุณหัวข้อธรรมะวันนี้นะครับตอนนี้กําลังเป็นมะเร็งอยู่ครับจะตามไปปฏิบัติครับอาจารย์นิ่งแบบคือนั่งสมาธิแล้วนิ่งแบบหลับบ่อยครับจิตไม่สว่างเวลารู้รู้แบบทื่อๆเหมือนขมุกขโมวแล้วหลับไปครับจะแก้ยังไงครับสติเรามีนอ้อยเราต้องฝึกสติให้มากกว่านี้ก่อนที่จะมานั่งพยายามจเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยทั้งวันทั้งคืน จะใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆก็ได้โดยจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็ได้แตอย่าปล่อยให้ใจไหลไปกับกระแสะความคิดต่างๆักสติบ่อยๆแล้วเวลาบรนดาสมาธิจะมีสติจะมีกําลังมากและจะทําให้ใจนิ่งสงบโดยที่ไม่หลับได้อาจารย์ครับวันนี้จริงๆใน youtube นี้ดูดูแลระบบมีปัญหาจริงๆนะครับมีคนคอมเมนต์มา <S <S การทำสมาธิเข้าสมาธิทำได้ยากแต่พยายามฝึกทุกวันส่วนมากโดนโลกโซเชียลดึงไปมากครับพระอาจารย์นั่นแะอย่ที่เราต้องมีมาตรการตัดพวกสิ่ ง, งต่างๆที่มาดึงใจเราให้ไปวุ่นวายล อ, องใช้โทศรศัพท์แบบที่ไม่มีการรับรู้เรื่องราวต่างๆเอาไว้สำหรับใช้โทรติดต่อกันก็พอ มันก็จะตัดเรื่องโซเชียลไปได้มีเพื่อนร่วมงานขโมยผลงานของเราไปครับไม่มีใครรู้เราจะต้องคิดยังไงให้สบายใจครับก็คิดว่าเนาะให้วิธาทางเข้าไปก็แล้วกันเป็นการทำบุญทำทานไปขอให้มันเกิดประโยชน์กับผู้อื่นก็แล้วกันถึงแม้จะไม่ในในไม่มีชื่อเราประกาศเขารู้แต่มันเป็นผลงานของเรา เราก็ควรจะภูมิใจว่างานของเราใ น, ในที่สุดก็ได้รับการเผยแพร่ทําให้ผู้ได้รับประโยชน์จากการงานของเรานี้ถึงแต่ เ, เราไม่ได้หน้าและตาท่านเองแต่เราก็ได้ทําสิ่งที่เราปรารถนาก็คือได้ใช้ใช้ความรู้ของเราในการช่วยเหลือผู้อาจารย์คาถาของผมนะครับทีนี้ในการทําหน้าที่นะครับอาจารย์เราก็ทําหน้าที่ตรงไปตรงมานะครับอาจารย์แต่บางทีมันก็จะเป็นอย่างที่ เหมือนกับคนเขาก็มองเห็นเราว่าเราไปขัดเขาอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์แล้วเราควรจะต้องปฏิบัติอย่างไงครับอาจารย์ครับก็มีสองทางเลือกถ้าเราไม่ไม่ขัดเขาเราก็ต้องขัดกับลักหลักธรรมของเราหลักการของเราอย่างหลวงตาท่านเคยพูดอยู่ว่าท่านไม่เกรงใจคนท่านเกรงใจธรรมครับถ้าเกรงใจคนธรรมก็แหลกย่างหลาย ถ้าอยากจะรักษาธรรมก็ต้องไม่ต้องเกรงใจคนแต่ก็ต้องอาจจะต้องเจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวพอจะต้องถูกผู้ที่เขาเสียผลประโยชน์เขาจะต้องลุกทําร้ายเราทันทีแม้แต่เทวทัตนี่ก็ยังลุกมุง่งทำร้ายชีวิตพระพุทธเจ้าเลยพอพระพเจ้าไม่เกรงใจเทวทัตผู้ตามความจริงเทวทัตเธอมีอะไรที่จะมาเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนเราได้ผู้แค่ น, นี้ก็เทวทัตก็โกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมา อาคาาพยายามตามข้าพระเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันแต่ถ้าคุณหมกลัวตายควที่จะถูกเขาทำร้ายก็ก็อย่าพูดอะไรก็นันนิ่งๆเฉยๆไป <laughs> แต่พอนิ่งแล้วมันยังกลับรู้สึกไม่ดีครับอาจารย์คือในความรู้สึกผมคือมันเป็นหน้าที่ของเราโดยส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์ก็แลก็แต่ว่าผมพยายามที่จะอยู่ในกรอบนะครับอาจารย์ก็ อ่าแล้วอาจารย์จะบอกว่าถ้าเราทําอะไรก็อย่าไปทําให้มันไปกระทบกระเทยคนหนึ่งเขา้ากระทบกระเทยคนหนึ่งเขาเราก็สังวนท่าทีไว้ในกาเก็บไว้ในใจเราในการพูดแบบกลางไปครันอาจารย์เพราะเราอยู่ในเรื่องที่มันเป็นความจริงมันเป็นอย่างเนี้มันเรื่องของความไม่พอใจมันเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆ ซึ่งถ้าเราไปพูดไปทำอะไที่มันขัดกับผลประโยชน์ของเขาเขาก็เขาก็ต้องเดือดร้อนเขาก็ต้องไม่พอใจในตัวเราขึ้นมาบางทีมันเงี้ยมันก็ลําบากนะพูดถ้าอยู่ในทางโลกถ้าอะไรต้องพึ่งทางโลกอยู่มันก็ก็ต้องเอารูกมาโวยกันครับแต่ถ้าเป็นภาพอาห้ก็เป็นอย่างงงตาถ้าเป็นภาพอาหารนะถ้าเป็น ท่านเพิ่งใครแล้วล่ะท่านเพิ่งทำอย่างเดียวครับท่ายอมตายท่านยามเสียชีวิตรักษาเพื่อรักษาธรรมนะฮะท่าคุณหมอยังไม่ยอมตายเพื่อรักษาธรรมกัคุณหมอเลยก็ลอาดูผลกระทบจากการกระทําของคุณหมอเองมันจะไม่ผลกระทบอย่างไรบ้าง ค, คุ้มไหมคุ้มกับสิ่งที่เราพยายามที่จะผลักดันหรือไม่ครับถ้าไม่คุ้มก็อย่าพึ่งไปผลักดันนั้นเลครับ ทำไปพอห้อมหมาห้อมคอก็ก็พยายามพยายามรักษาธรรมอยู่ในอยู่ในธรรมครับอาจารย์ครับแต่บางเรื่องที่ผมผมมีความรู้สึกจริงๆว่าพูดแล้วมันมันถูกต้องก็พยายามพูดที่มันมันเบาๆที่สุดครับไม่รุนแรงไม่ไปฟาดหมวกฟาดง่ายพูดโดยในหลักการเฉยครับพูดในหลักการพูดตามวิชาการอะไรก็แล้วกัน ขอบคุณอาจารย์ครับตอนนี้มาเป็นกรรมธิการเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับอาจารย์มีผู้กล่าวว่าเราไม่สามารถเห็นและได้ยินในเวลาเดียวกันได้นี่จริงไหมครับอาจารย์ครับก็ตอนนี้เราเห็นหรือเ่าแล้วยินหรือเปล่ามันไม่นั่น ง, งไปถามใครเลยมันก็ต้องเห็นทั้งได้ยินพร้อมๆกันไม่ใชนะ่แล้วแต่วันนี้อะไรมาถ้ามีรูปมาก็เห็นถ้ามีเสียงมามันก็ได้ยิน แต่ถ้ามีแต่เสียงไม่มีรูปเช่นอถ้าเกิดจอดำขึ้นมาอย่างนี้มันก็เห็นได้ดแต่เสียงไม่เห็นภาพมันอยู่ที่รูปเสงเกินแล้วลมันเข้ามาหรือไม่หรืออยู่ที่ตาหูจมูก ข, ของเรารับได้หรือไม่ได้ต่างหาถ้ารับได้มันก็เข้ามาพร้อมกันได้ไม่น่าจะมีปัญหาตรงไหนมีลูกที่ไม่ฟังเราเลยครับอาจารย์บอกว่าทุกข์มากแต่ตอนนี้วางใจได้มากขึ้นแล้ว เราจะต้องทําอย่างไรต่อครับก็ตัวใครตัวมันไปถ้าเขาไม่ฟังเราก็หมดหน้าที่ของเราที่เรามีหน้าที่กับลูกก็คือสั่งสอนอบรมให้ความรู้กับเขาเท่านั้นเองแล้วเมื่อเขาไม่ยอมรับการอบรมสั่งสอนของเราเราก็ต้องหยุดไปเท่านั้นตัวใครตัวมันแต่อยามาโทษเพราะแม่นในภายหลังว่าไม่สั่งไม่สอนอย่างันี้ก็พูดให้ฟังเรื่องของ มพ่อแม่ต้องออกรมลูกต้องสอนลูกผิดถูกดีเชื่อไม่ใช่เกรงใจลูกลูกทําผิดก็ไม่ไม่ไม่ไปตําหนิตีเตียงกลัวลูกจะเสียใจปล่อยให้ลูกทําไปพอโตขึ้นไม่รู้ผิดถูกดีเชื่อไปทําผิดจลมาไปฆ่าคนตายถูกถูกโทษประหารชีวิตก็มาบน่นว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่สอนไม่บอกงั้นมันก็ต้องมีการข้อกล่าวตัดเยื่อกั น, กน คุณสุรศักดิ์ครับขออนุญาตเรียนถามวิธีฝึกให้เจริญปัญญาควรเริ่มจากอะไรครับร่บางกายมันนี่แหละให้ผู้เจ้าสอนว่าให้คิดอยู่ทั้งวันทุกวันไม่ให้ลืมว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัาดทางจากกันเป็นธรรมดาเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยไม่ให้ลืมได้ไหมให้มันยอมรับให้ได้ท่านั้นก็เป็นปัญญาถ้าเรายอมรับได้แสดงว่าเรามีปัญญา ถ้ายังยอมรับความแก่ไม่ได้ยรับความเจ็บไม่ได้รับความตายไม่ได้รับการทัดทา น, น, นสูญเสียจากกันไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาตักบาทสวดมนต์ทุกวันครับลูกที่เสียชีวิตไปแล้วจะได้รับผลบุญไหมครับก็อยู่ที่สถานภาพครับว่าเขาหมารอรับบุญหรือไม่ดวงวิญญาณแต่ละดวงนี้มีบุญติดเปลือกมะน้อยต่างกัน บางดวงวิญญาณมีน้อยไม่พอบุญไม่พอก็จะมาขอรับบุญจากผู้ที่ยังในชีวิตอยู่บางวิญญาณมีบุญมากเป็นเศรษฐีบุญก็ไม่ต้องมารอรับผลบุญจากพู้นคุณพ่ออายุเก้าสิบปีครับเป็นสมองเสื่อมติดเตียงมาสิบปีแอปติดเตียงมาหนึ่งปีครับตอนนี้เข้าไอซหมอจะให้เจาะคอแต่ลูกไม่อยากให้พ่อทรมานหากไม่เจาะพ่ออาจจะเสียชีวิตได้หากไม่เจาะ อ, อย่างนี้เป็นบาปไหมครับ ไม่บาดหรอกสมัยพระพุทธเจ้าก็มีการเจาะข้อเขาบอกว่าปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าทุกน้อยลงแต่รู้สึกว่าเหมือนเห็นแก่ตัวไหมครับอาจารย์คนเราก็ต้องเห็นแก่ตัวกันทุกคนเห็นแก่ตัวแบบนี้มันไม่ได้เสียหายเราไม่ได้ไปทัาเบียดเบียนผู้อืเพื่อให้เห็นแก่ตัวกันเรา เราปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ของเราไม่เหมือนเราไปรักษาโรคภัยกข้เจ็บที่โรงพยาบาลนี้เห็นกันตัวกันหรืเป่าเห็นทั้งนั้นใช่ไหมแต่ยอมรับได้ว่ามันเป็นการเห็นกันตัวที่จําเป็นที่จะต้องเห็นกันตัวกันทุกคนเวลาทุกใจก็เหมือนกับใจไม่สบายเวลาทุกกายก็ร่างกายไม่สบายก็ต้องไปรักษาให้มันหายด้วยกันทั้งคู่มันจะเห็นแก่แก่ตัวตรงไหนไม่มีการเห็นกันตัว อย่างพระทธากเห็นรู้สึกเห็นกับตัวที่ททตอนเองหนุดพ้นจากความทุกข์คนเดียวบอกให้คนอื่นยังติดติดอยู่ในกองทุกข์อยู่ครับเรียนถามว่าในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดครั้งล่าสุดอยู่ๆก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขขนาดยังไม่ได้บรรลุธรรมยังสุขขนาดนี้แล้วถ้าบรรลุธรรมจะมีความสุขขนาดไหน คำถามคือหนูควรยินดีกับความสุขนั้นหรือควรจะรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยมันไปครับก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปยึดอย่าไปติดมันต่ก็รู้ว่ามันเป็นความสุขและอาจจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เรามีความเพียงเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีความสุขอย่างมากขึ้นเป้าหมายก็คือร่างกายให้มีเป็นเป็นแบบตลอดเวลาเป็นปรมาอามมนสุข เวลาที่ใส่บาตรจะต้องอธิษฐานอย่างไรครับไม่ต้องอธิษฐานเลการใส่บาตรนี่คือถ้าอธิษฐานเพื่อขอโน่นขอนี่มันไม่มันไม่ได้เป็นเป็นเรื่องที่พระเจ้าสอนให้ขอนาะเพราะว่าการใส่บาตรมันมีผลของมันอยู่แล้วการใส่บาตรก็ทําให้เราได้บุญบุญนี่นเป็นปัจจัยที่จะทําให้เราไปสวรรค์ทําให้ใจเรามีความสุขทาให้ใจเรามีความอิ่มในรื่องการรับประทานอาหารเนี่ย เราต้องเอาที่ถามว่าขอขอนน่นขอนี่แล้วประทานอาหารมื้อนี้แล้วขอให้ได้เป็นนายกนี่เป็นไปได้หรือเปล่าเป็นคนละเรื่องกันรับประทานอาหารก็เพื่อให้ท้องอิ่มทาบุญก็ทําให้ใจอิ่มมันจะไปขออะไรไม่ได้หรอกเอาคุณแจ็คครับสมัยนี้เป็นยุควัตถุนิยมบางอย่างมันมีความจําเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน มันเป็นการส่งเสริมกิเลสไหมครับก็ต้องดูที่ว่ามันจําเป็นจริงๆหรือไม่ถ้าเรามาขาดมันแล้วเราจะตายหรือไม่แค่เอาคําถามวันนี้ขึ้นมาตั้งเลยถ้าเราขาดสิ่งนี้เราจะตายหรือไม่ขาดมือถือแล้วเราจะตายหรือไม่ไม่ตายก็ไม่ต้องมีมันก็ได้ถ้าเราขาดรถยนต์แล้วเราจะตายหรือไม่ไม่มีเราก็อยู่ได้แล้วก็ไม่ต้องมีมันก็ได้ถ้ามีมันแล้วมันจะทําให้เราทุกข์เราจะไปไปไปทุกข์กับมันทํำไมจะอยู่แบบไม่ทุกข์ไม่ดีกว่าไหม มีคนเตือนครับว่าหากนั่งสมาธิหลายครั้งในวันหนึ่งหนึ่งจะทําให้นอนไม่หลับเท็จจริงอย่างไรครับไม่จริงหรอไม่เกี่ยวกันนั่งทั้งวันทั้งคืนได้ยิ่งดีเรื่องหลับเรื่องร่างกายเวลามันเหนื่อยเพลมันก็จะหลับเองแล้วคนที่มีสติมีสมาธินี่ดับง่ายเพราะมันมีใจไม่คิดฟุ้งซ่านที่ไม่หลับกันเพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิกันเสียมากกว่าใจนอนคิดเรื่องนัน้นคิดเรื่องนีน้เครียดกับเรื่องนั้นเครียดกับเรื่องนี้เลยนอนไม่หลับ ไม่ใช่คนที่มีสติมีสมาธินี่พอหัวเสวมัน ก, ก็ไปเลยครอบเลยเพราะไม่มีเรื่องอะไรที่มาคิดให้ปวดหัวคุณวันเพนครับเวลาใกล้จะตายเวทนารุมเรา้าดูลมหายใจไม่ได้จิตเข้าใตาสรนนานคมลึกถึงกัลปตนไตรยจับพระพระช่วยให้สติรักษาใจไปสู่สุขติฝึกตั้งแต่ตอนนี้เพื่อวาระสุดท้ายกราบอาจารย์ช่วยชี้แนะการฝึกครับ ของการฝึกก็ต้องใช้สติหรือใช้ปัญญาเท่านั้นถึงจะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ไปสู่สุขติได้เช่นถ้าใช้จริญสติคิดถึงพระรัตนนาตายก็ได้สวดบทอิติปิโสไปเพื่อให้ใจไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงความเจ็บพอไม่คิดถึงความเจ็บความอยากที่จะให้ความเจ็บหายไปมันก็จะไม่ได้ทํางาน ความเครียดความทุกข์ของใจก็จะหายไปใจก็จะสงบได้อันนี้วิปปะอุบายของของของสติอุบายของมันยากา้พิจารณาให้เห็นว่าเวินาความเจ็บนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายมันจะทําให้ใจเครียดใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะเครียดไม่อยากจะทุกข์กับเวทนาก็ปล่อยให้มันเป็นของมันไปมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไ ป, ไปใจก็จะไม่เครียด มีสอ ง, องวิธีควิธีของสติก็อย่าไปคิดถึงเวทนาอย่าไปคิดถึงความเจ็บเลยให้อยู่กับพุโทโธธรมโมสังโคไปก็ได้ถ้าใช้ปัญญาเราสอนว่าอย่าไปอยากให้มันหายเพราะเราสั่งมันไม่ได้ถ้ามันจะหายมันหายเองถ้ามันไม่หายก็ทำใจอยู่กับมันไปใจก็จะไม่เครียดนั่งสมาธิจนถึงจิตนิ่งสงบแล้วแต่มีเสียงมากระทบให้ตกใจ พอออกจากสมาธิแล้วจิตไม่ค่อยนิ่งควรจะทำอย่างไรต่อครับถ้ามันสงบจริงมันไม่มันจะไม่ออกมาง่ายๆเรอกถ้ามีเสียงกระทบกนน็แสดงว่ามันยังไม่สงบถ้ามันสงบแล้วมันจะไม่มีอะไรไปกระทบมันได้กระทบมันก็จะเฉยหนูเป็นระยะสี่มาปีครึ่งนะครับ ฟังพระอาจารย์ช่วยสงบใจได้มากสวดมนต์ไม่เก่งแต่ชอบนั่งสมาธิและฟังพระอาจารย์ครับกบราบอภัยคุณพระอาจารย์นะครับได้ไม่ต้องสวดก็ได้นั่งสมาธิได้ก็นั่งสมาธิไปเลยถ้าเราทําบุญตักบาตนั่งสมาธิอ๋อนี่ถามนะครับมันลูกจะได้ไหมนะครับ คมดูเวทนาไปเพราะท่านพระอาจารย์สอนว่าให้อยู่กับมันแล้วอยู่ๆมันก็หายไปหมดเองไม่ได้ทำอะไรนั่งต่อไปเดี๋ยวสักพักเวทนาก็มาอีกไปอีกแต่เวลาเป็นอย่างนี้ทำไมมันทำให้ใจมีกำลังในการปฏิบัติมากขึ้นครับก็เราเห็นผลจากการใช้ธรรมะใช้ปัญญาว่าเราเราเราไม่เดือดร้อนอย่างมันได้เพราะว่าเราปล่อยวางมัน มันมาก็ปล่อยมันมามันไปก็ปล่อยมันไปเพราะนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราไม่ทุกข์กับมานาันแล้วเพราะเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับมานาันแล้วการออกจากความคิดที่ทําให้เป็นทุกข์จะปฏิบัติอย่างไรครับก็ใช้อุบายของสติเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไป วคความัดใกล้ๆที่บ้านเปิดสอนหลักสูตรอาณาปานาสติสมาธิเรียนออนไลน์อาทิตย์ละหนึ่งวันวั น, วนละสองชั่วโมงเป็นเวลาหกเดือนโครงการนี้เหมาะกับผู้ไม่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดต้องดูแลคุณแม่อายุเก้าสิบหกครับอ๋อเล่าให้ฟังครับอาจารย์ก็ดีเดี๋ยวนี้วิธีฝึกสมาธิได้หลายวิธีเหมือนกันแล้วนะแต่ วิธีไหนที่เหมาะขอเราเราก็ใช้วิธีนั่งไปครับตันบายสองครึ่งช่องพระอาจารย์ก็ได้ใช่ไหมครับอ๋ <ะ S 2> บบสอสาวทิศสาวทิศสาวสาวิศกับวันพระกับวันหยุดราชการอย่ังนี้วันหยุดเยอะหน่อยที่ทั้ง <c oughs> รัฐศาสตร์จิตทั้งทางราชการหยุดหมดเลยกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับคนที่เขาไปรักษาศีลแปดแต่ชอบมีนทาคนอื่นอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ ก็ไม่ควรนะคนที่คนที่เถื่อนเสียน้องสำลอมวาจากายวาจาใจไม่พูดร้ายต่อใครไม่ทูนอะไรกับที่ทําให้พูดว่าเดือดร้อนเสียหายอนนครับที่คนส่งกําลังใจมาให้ผมเต็มเลยนะครับบอกว่าไอกว่าทงานต้องแต่แต่เจ็บเคุณหมอเจ็บตัวใครก็มาเจ็บกับคุณหมอแบบ อย่าบ้าเย่าอย่าบ้ายอมากไปไปนเห็นไหครับมีคนบอกว่าสังคมสมัยนี้คนดีอยู่ยากเพราะคนชั่วมีอำนาจจริงหรือเทศครับอาจารย์ครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ขอตอบคุณต้องวิเคราะห์เอาเองเลยในกรณีที่เป็นลูกน้องครับแต่หัวหน้ากำลังจะเข้าข่ายผิดกฎหมายควรจะบอกหัวหน้าไหมครับ ก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีหน้าที่ต้องคอยบอกคอยเตือนเขาหรือเปล่าแต่เราสั่งไว้ก่อนว่าให้ช่วยช่วยเตือนหน่อยนะถ้าเราทําอะไรไม่ดีไม่ควรถ้าเราเขาไม่บอกเราไปบอกเ้าดีไม่ดีเขาอาจจะโกรธเราเกลียดเขาก็ได้อันก็ขึ้นอยู่ว่าเรายอมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการไปพูดไปเตือนเขาหรือเปล่าบางกรณีของเราอาจจะเป็นกลายเป็นความไม่ปรัชนาของผู้ผู้ที่เขารับฟังก็ได้ รรนั่จะทำให้อาจจะโกรธเราเกลียดเราขึ้นมาก็ได้เห็นต้องวิเคราะห์ให้ดีก่อนเวลาเราจะพูดอะไรว่ามีผลกระทบอย่างไรกับเรากับเขาได้ปฏิบัติตามคำเทศคำสอนพระอาจารย์ช่วงรับคีโมฝันว่าหนีผีที่ตามไล่ล่าได้ทำบุญจนเป็นนิสัยพยายามทำทานให้ได้ทุกวันจนเดี๋ยวนี้ฝันว่าได้ไปที่ใหญ่โตงดงามสว่างสวมีผู้นาอาหารมาต้อนรับครับขอบคุณพระอาจารย์นะครับ หานะทาุกเนี่ยความฝันนี้ก็เกิดจาบุญหรือบาป ท, ที่เราทำกันนี้แหละถ้าบุญมากมันก็จะฝันดีถ้าบาปมากมันก็จะฝันร้ายกรรมส่งผลอย่างไรครับในเรื่องที่ว่าเขาเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนทําร้ายเขาแต่เราไม่ได้ทําแต่คนที่เขาโดนกระทําคิดว่าเราเป็นคนทําและเขายังโกรธเราและคิดว่าเราทําร้ายเขา และเขายังจองเวรกับเราและเขาเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนทากรรมแบบนี้จะส่งผลอย่างไรครับส่งผลกับใครกับคนที่เข้ามาเกียดเราเลยถ้าถ้าเขาทำกรรมไม่ดีเาก็ต้องรับผลกรรมไม่ดีไป่นเอไม่ว่าจะด้วยสาเหตหุอันใดก็ตามความเข้าใจผิดก็ตามอะไรก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่ความเข้าใจผิดหรืเถอะมันอยู่ที่การกระทาของผู้บุคคลนะั้น ทำดีใจก็จะเจริญใจก็จะมีความสุขทําบาปใจก็จะทุกข์ใจก็จะเสือ่อมใส่บาตแต่ไม่ได้กรวดน้ําครับแต่ตอนแต่อธิษฐานตอนใส่ข้าวลงบาตรไปเลยแบบนี้ทําได้ไหมครับปกติก็ต้างทำให้เสร็จก่อนใส่บาตให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็พอพระท่านเดินไปแล้วเราก็อธิษฐานจิตในใจว่าเขาทิ้งส่วนบุญนี้ให้กับบุคคลนั้นคนนี้ได้ ในขณะที่ใสายเรายังบุญยังไม่สําเร็จนะยังไม่เสร็จเอาให้มันเสร็จก่อนเสร็จแล้วก็ อ, อกุทิศบุญโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ขอเรียนถามว่าเมื่อภาวนาแล้วจิตตามรู้ความคิดเห็นความคิดแล้วลูกต้องภาวนาต่ออย่างไรครับไม่ให้ตามรู้ตามเห็นความคิดให้หยุดความคิด ด้วยการอยู่กับพุโทโธและอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่ภาวนาไม่ถูกหลักผมถูกเพื่อนร่วมงานโกงเงินไปหลายแสนครับจะดำเนินคดีหรือจะอโหสิกรรมเงินหายากขอแนวทางพระอาจารย์ด้วยครับถ้าเรามาไม่ต้องการเรื่องวุ่นวายก็อโหสิกรรมไปเิื่อเป็นการทาบุญําทานไป ถ้าเราต้องการเรื่องอุ่นวายเรื่องการจองเวรจองกรรมกันเราก็ไปฟ้องร้องกันไปเดี๋ยวเขาก็จะหาเรื่องมาฟ้องร้องเรากลับอีกก็ได้เวนย่ำงังงั้งในการไม่จองเวรพระเจ้าถ้าไม่มีอยากอย่างนี้พระเจ้าไม่อยากมีเวรมีกรรมต่อกันก็ได้ยุติดไปเส้นอย่าไปจองเวรจองกรรมกันถ้ามันไปในของเรามันถ้ามันก็จะกลับมาหาเราเองกคิดอย่างนี้แล้วกัน ถ้ามันไปมันก็แสดงว่าไม่ใช่ของเราแนละ้วให้มันมาเองไปเองก็แล้วกันมันไปเองได้มันถ้ามันจะมาเองมันก็มาเองได้ถ้าไม่มาแสดงว่าไม่ใช่ของเราก็จบมอบศพให้โรงพยาบาลเพื่อการแพทย์โดยไม่จัดงานศพให้ผู้ตายจะไปดีหรือไม่ครับมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดในการจัดงานศพครับงานศพไม่เกี่ยวกับการไปดีและไม่ดีของผู้ตาย การไปดีไม่ดีอยู่ที่บาปและบุญที่ได้ทําร้ไว้อันไหนจะมีมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปไม่ดีถ้าบุญมากกว่าบาปก็จะไปดีวิธีการสม่งไม่เกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณแต่อย่างใดคนที่ทํากรรมกรรมของคนคนนั้นจะส่งผลไปที่ลูกหลานของเขาได้ไหมครับไม่หรอกอยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่ใจเขา เมื่อเข้าสมาธิแล้วได้แล้วแต่พอจะถอนออกจากสมาธิบางครั้งต้องใช้เวลาสักระยะกว่าจะถอนออกมาเปิดตาหรือขยับตัวได้อาการอย่างนี้เกิดจากอะไรครับก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันเหนจะต้องไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเลยเอายากก็รู้ว่าออกยากถอนยากก็รู้ว่าถอนยาก เวลาเราทำงานสับเราสามารถจะกาหนดพุโทโธได้ไหมครับได้ถ้าถ้าไม่ทำให้เสียงานของบางอย่างถ้าต้องใช้ใช้การฟังและการรู้กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ถ้าไปอยู่กับพุทธโทรเราอาจจะไม่ได้อยู่กับงานที่เราทำและอาจจะทำให้งานเสียก็ได้ยังไงลองดูความเหมาะสมว่าเราควรจะใช้แบบไหนถ้าทำงานก็ใช้สติดูงานที่เรางทำจะดีกว่า นี่มาอยู่กับพุทธโตกลับเรียนพรอาจารย์ครับเรียนเพื่อนๆ น, นะครับสามารถจะส่งคำถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้คำถามค่อนข้างน้อยเพราะว่าเราคุยกันอยู่ประมาณพันหนึ่งร้อยกว่าคนนะครับอาจารย์ครับวันนี้คุยแบบกันเองว่คนน้อยมากเลยครับอาจารย์ไปได้เลยไม่เป็นไรท่านก่อนบ้งถ้ำที่วัดแถวบ้านมีการบูชาข้าวพระพุทธ พอเสร็จพิธีผู้ปฏิบัติทำลามากินต่ออย่างนี้ทําได้ไหมครับหรือจะมีบาปติดตัวไปครับไม่มีหนะก็เป็นพิธีกรรม เ, ยเฉยๆที่ไม่มีผลใดอย่างใดพระพุทธท่านก็ไม่รับอาหารไม่ได้บุญผู้ให้ก็ไม่ได้บุญจากการถวายอาหารให้กับพระพุทธถ้าอยากจะได้บุญต้องอาหารให้ถวายให้กับพระสงฆ์ไม่ใช่เอาไปวางไว้เฉยๆแล้วเสร็จแล้วก็เอากลับมากินกัน่ะ ก็เม็น ก, การล่นละครตก ต, ตาตัวเองแล้วตัวเองได้ทำบุญแล้วได้กินด้วยแต่ทำบุญแบบนี้ก็ดีนะได้ทั้งสองด้งับได้ทำบุญ<อ> ไ, ได้ทางอาหารกินด้วยการกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นสิ่งพึงกระทําหรือไม่ครับถ้าเราคิดว่าเจ้ากรรมนายเวรก็เป็นดวงวิญญาณที่เรารับบุญอยู่แล้วก็วอุทิศให้เขาได้ ถ้าจะใส่บาบด้วยเงินนี้บาบไหมครับผู้ให้ไม่บาบแต่ผู้รับนี่ต้องอยู่ว่าถ้าถือวินยัยข้อนี้หรือไม่บางแห่งก็จะไม่อนุ ญ, ญาตให้พระรับเงินกับมือถ้ารันแล้วก็เป็นอาบัติไม่ถูกคนกฎแต่บางแห่งเท่าก็บอนุ ญ, ญาตให้รับได้ยังก็น้องสังเกตหรือถามพระดูว่าผพี่ถอยปัจจัยท่านได้อย่างไรถ้าท่านไม่รับท่านก็บอกไม่รับต้อง ถ้าท่านีลูกศิษย์ก็บอกให้ฝากไว้กับลูกศิษย์อันนี้ก็ได้บทสวดที่ดีที่สุดคือบทอิติปิโสใช่หรือไม่ครับอาจารย์แล้วแต่เหมือนกันชวน บ, บทไหนก็ได้ข้อํำกัญให้มีสติอยู่กับการสวดเท่านั้นเองเพราะเราต้องการที่จะให้ใจนิ่งสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาบทไหนก็ได้แต่ต้องสวดด้วยการมีสติ ถ้าสวดแบบใจลอยสวดไปคิดไปนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรการที่ไปขายสุราอย่างนี้ผิดศีลไหมครับอาจารย์ไม่ไม่ผิดศีลแต่เป็นผิดผิดอาชีพไม่เป็นอาชีพที่เราไม่ควรกระทําเพราะเป็นการส่งเสริมให้คนดื่มสุรา ก, กันแล้วเวลาเขาเมาเขาะจะไปสร้างความเสียหายเดือดร้นให้กับผู้อื่นได้เรียกว่าเป็นมิจฉาชีพไม่ใช่เป็นสัมมาชีพ การนั่งรู้ลมหายใจบางครั้งก็นิ่งบ้างบ้างก็ไม่นิ่งในตอนที่ไม่นิ่งไม่ค่อยมีสมาธิตอนนั้นเนี่ยเราได้บุญไหมครับบุญก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบ่ น, นขณะที่เรานั่งให้มันยังไม่ได้เต็มที่อาจจะได้มากได้ยิ่งได้หน่อยเล ไ, ไปเวลาที่มันนิ่งมีคนบอกเรียน าถามนะครับอาจารย์บอกว่าครั้งหน้าเป็นวันอาทิตย์เหมือนเดิมไหมขออนุญาตบอกว่าเป็นวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับใส่บาตรไม่ได้กรวดน้ําแล้วบุญอยู่ที่ไหนครับบุญอยู่ที่ใจคนใส่ไงถ้าจะทยากรวดก็สามารถแบ่งบุญไป บ, บางส่วนได้ไม่ได้ไปทั้งหมดถ้ามาบุญอุทิศไปนี่มีัมนอุทิศได้น้อยมาก <c oughs> เดียวกับน้ําที่เหลือข้างอยู่ในแก้าเวลาที่เราเทน้ําออกมานะ ก็มีน้าที่ยังตกค้างอยู่ในแก้วนั่นแหละคือบุญอุทิศตอนที่เรานอนหลับอยู่จิตเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เดิมอยู่ที่ตอนที่เราตื่น <c oughs> จิตไม่ได้เคลื่อนเคลนย้ายไปไหนจิตไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายยังไม่มีการขึ้ือนขึ้อนเคลืคล่อนไหวทางด้านทางด้านเหมือนกับร่างกายอยู่ที่เดียวตลอดอยู่ในโลกทิพย์ ไม่ได้อยู่ในร่างกายของเราข อ, ขอวิธีที่จะทําให้คนฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆ ห, ห, หน่อยครับอาจารย์ครับก็นี่แหละก็ให้ฝึกสติไปก่อนก่อนที่จะว่านั่งนี่พยายามฝึกสติให้มากๆทาอะไรก็ให้มีสติรู้อยู่บบกับการการทําของเรา mm hmm. เดินโย่ให้รู้ว่าเรากำลังเดิน นั่งก็รู้กำลังนั่งอยากปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาใใหรือจะใช้คำอะไรคำพุโทโธพุโทโธไปตลอดเวลาก็ได้เพื่อคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดไม่ให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยถ้าเราฝึกสติได้ดีเวลามานั่งเราก็นั่งดูลมหายใจก็ได้นั่งไปคำพุโทโธไปก็ได้ถ้าเดี๋ยวใจก็สงบเ่ง เราควรวางจิตอย่างไรครับเมื่อเกิดปิติจิตคอยส่งไปเสพความสุขอิ่มเอิมใจของบุคคลที่เราศรัทธาและมีบุญคุณต่อเราครับก็ลูกเฉยๆไปนะหรือว่ามันไม่เทียมไม่ว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปอย่าไปยึดอย่าไปติแม่สร้างบุญให้ลูกที่กําลังป่วยมากๆอย่างนี้ลูกจะได้รับบุญจากแม่ไหมครับไม่ได้บุญของใครของมันต้องทําเอง ถ้าเราหรือคนอื่นไปโกรธรังเกลียดด่าคนที่เขากระทําผิดโดยมีคนพูดให้ฟังทั้งที่ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวกับผู้กระทําผิดเราหรือคนที่เกลียดคนทําผิดอย่างนี้บาปไหมครับมันก็เป็นอกุศลนะความเกลียดชังล้วมันจะทําให้ใจเราทุกข์ร้อนขึ้นมาเองไม่โกรธเขาไปเกลียดเขาทํำ ไ, มไม้ไม่เี่ยงไม่ใ่เรื่องของเราสัาหน่อย ให้มีความเมตตาดีกวให้อภัยเขาดีกว่าใครเขาทําอะไรไม่ดีเสียายก็ให้อภัยเขาบอกเขายังโง่ อ, อยู่เขายังไม่ฉลาดเขาเขาสร้างขวามทุกให้กับตัวเขาเองเราไม่ต้องไปซ้ำเติมเขาหรอนั่งสมาธิไม่ได้ท่องพุโทโธครับแต่ดูลมเข้าออกได้ไหมครับอาจารย์ได้คุณนิลวันครับ รู้ทันเกิดรู้ทันดับผัสสะต่างๆทำอย่างไรจะเห็นผัสสะนั้นเฉยๆโดยไม่ปรุงแต่งครับต้องทำสมาธิให้จิตเน่งปเป็นโอเบคาแล้วก็ไม่ปรุงแต่งจะเห็นเฉยๆจะเห็นว่ามาแล้วมามาแล้วไปเกิดแล้วดับการที่เราปฏิบัติธรรมจะช่วยแก้กรรมได้ไหมครับจลดกรรมให้กรรมใหม่ได้แต่กรรมเก่าเราไปแก้ไม่ได้ จะให้เราไม่ทําำกรรมใหม่ไนดะ้ถ้าเราปฏิบัติทำใจเรามีความสุขเราก็จะไม่คิดที่จะไปทํำบาปทากรรมได้อย่างเดยเคยฝึกบริกรรมพุทโธมาก่อนรู้สึกว่าใจนิ่งสงบจากเวทนาได้ดีมากแต่พอได้มีโอกาสอบรมและปฏิบัติธรรมสารวิปสนากรรมฐานยุดหนอพองหนอจึงได้เปลี่ยนคําบริกรรมตั้งแต่นั้นมาอยากทราบว่าควรใช้บริกรรมแบบไหนครับ นล้วแต่เราอันนี้ต้องต้องพิจารณาเอาเองอนไหที่ทําให้ใจเราสมองเราใช้อนั้นไปทุกวันนี้พยายามทําให้ได้สติปฐานสี่มายาใบไม้สติพระอาจารยา์ผมอ่านไม่ค่อยเก็ตนะครับรอาจารย์เขาบอกว่าพยายามทําให้ได้สติปฐานสี่ถ้าทําทุกวันจะเป็นยังไงบ้างครับ คือสติปัฏฐานสี่นี้ไม่ต้องทําให้มันครบทุกวันต้องทํำทีละขั้น ท, ทําทีละตัวโดยแรกที่เราต้องทําก็คือสติสติทั้งวันทั้งคืนไปก่อนค่อยควบคุมใจไม่ให้คิดไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ผูกไว้กับพุทโธหรืรอผูกไว้กับร่างกายไม่ว่าเป็นการเจริญสติก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาต่อไปก่อนที่เราจะไปนั่งสมาธิต่อไปก่อนต้องมีสติก่อน พอมีสติก็ไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิจนชำนาญเนาะก็เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ให้ไปพิจารณาร่างกายก่อนแล้วก็ไปพิจารณาวทนาแล้วก็ไปพิจารณาจิตเปล่อยวางกายวินาจิตต่อไปมั น, นนะเป็นงานที่ต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่เหมารวงมันทำต้งเสียนพร้อมกันเป็นไปไม่ได้ ได้พาแม่แลนะน้ไปใส่บาทพระอาจารย์แล้วนะครับอิ่มบุญกันทั่วหน้าตอนนี้กลับเชียงใหม่ครับเพียรปฏิบัติภาวนาต่อไปนะครับบางคนมาไกลนมามาใส่บาทเนี่ยเนี่ยเนอ่ยาากต่างเงหวัดเยอะคุณแม่เป็นมะเร็งท่านรู้สึกท้อแท้อยากตายลูกพยายามให้กาลังใจท่านขออาราธนาให้ท่านมีชีวิตอยู่เพ่อ ใ, ให้ลูกได้ดูแลปฏิบัติรักษาท่าน พอท่านมีพระคุณกับลูกมากลูกทําแบบนี้เห็นกับตัวไหมครับไม่หรอกเป็นอมตะยิ่งอมตวเวทีก็เมตตาเจอวิญญาณอากงที่เสียไปแล้วและดิฉันป่วยหลังจากเจออากงที่มาในบ้านควรทําอย่างไรให้หายป่วยครับไปหาหมอเถอะมันไม่เกี่ยวกับอกงเราเรื่องยไข้เจ็บของร่างกายมันก็เป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บของร่างกาย ยัื่งเจอวิญญาณก็เป็นเรื่องของเจอวิญญาณมันไม่เกี่ยวกันมันก็ละเรื่องกันการเป็นคนขี้หงุดหงิดพอไม่ได้ดังใจก็รําคาญใจอย่างนี้จะแก้ยังไงครับก็ลดความอยากให้มันน้อยลงอย่าไปจูจจ้จี้จุกจิกอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดแล้วความหมงุดหงิดก็จะหายไปเพราะเราสามารถรับอะไรก็ได้น้อนก็ได้เย็นก็ได้ นตบก็ได้แดดออกก็ได้นอนสมาธิฟังธรรมเป็นบาปไหมครับถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่บาปไม่ไม่เพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่ควรเพราะมันจะหลับไปก่อน กับเรียนสอบถามครับหากซื้อผลไม้มาเช่นกล้วยหอมส้มมะพร้าวและอยากนําถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธรูปที่บ้านแต่เวลานั้นเป็นช่วงหลังเที่ยงวันไปแล้วบางครั้งช่วงเย็นแบบนี้บาปไหมครับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่บาปไม่บุญเท่านั้นการบูชาพระพุทธรูปด้วยสิ่งของอาหารอะไรตทางๆอันี้มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรพระพุทธรูปท่านก็กินไม่ได้ท่านก็รับไม่ได้ยังไมันไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเไม่บาปไม่บุญ เหตุการเล่นละครหลอกตัวเองไปวันๆหนึ่งั่นเองให้เกิดความรู้สึกสบายใจขณะอาบน้ำจะสวดมนต์หรือพุทโธได้ไหมครับได้ถ้าเราทำไปในภายในใจเพราะถ้าออกเสียงแล้วคนอื่นเขาได้ยินก็จะหาว่าไม่ไม่สารวมไม่ไม่เขารบแต่ถ้าเราทำในแนวของการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าทำไนภายในใจนี่จะทำอะไรอยู่ก็สามารถสวดได้ เวลาเรานั่งสมาธิเห็นความว่างโล่งลมหายใจหายไปเหมือนตัวเราไม่ใช่เราต้องทำอย่างไรต่อไปครับเพื่อทำให้มันนิ่งให้มันสงบให้เกิดความสุขขึ้นมาให้ได้ยางที่ว่าโล่งสงบนี่แต่ยังไม่มีควาว่าความสุขให้เลยแสดงว่ามันยังไม่ยังไม่ถึงจุดหมายยังไม่นิ่งจริงถ้ามันนิ่งจริงแล้วมันจะเกิดความสุขที่มาส จ, จา์ใจก็ต้องนั่งต่อไป คุณแม่เป็นคนคิดกังวลและคิดกลัวไปก่อนจะให้แม่ปฏิบัติอย่างไรดีครับฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆเราใจจะมีความสุขและจะไม่ค่อยกังวลกับอะไรทำพินัยกรรมยกทุกอย่างให้สามีไปหมดแล้วถือว่าเราได้สละทรัพย์สมบัติหรือยังเพราะตอนนี้เราพยายามปฏิบัติธรรมให้มากที่สุดเวลาเราเสียชีวิตจะได้ไม่ไปต้องกังวลว่าเรามีอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมครับ ยังไม่ได้เสียสละจริงว่าเป็นเพียงพิธีกรรมเป็นเพียงกิตเจตน า, ตนาลมของเราตัวหนึ่งยังไม่ได้สละจริงถ้าสละจริงก็ให้เขายกให้เข้าไปเลยเป็นเจ้านายที่อคติกับลูกน้องขึ้นเงินเดือนไม่เป็นธรรมเจ้านายบาปหรือต้องชดใช้กรรมหรือไม่ครับเไม่เราเป็นเยษขงเขาเขาจะขึ้นให้ใครก็ได้เป็นเป็นเศษของเขา ทำยังไงถึงจะให้ความโกรธหายไปไม่ให้มีอีกครับก็อย่าไปอยากเนี่ยความอยากนี่ทําให้เราโกรธอยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่ทําตามความอยากเราเราก็โกรธเขาได้ถ้าไม่มีความอยากเราก็จะไม่โกรธใครใครจะทําอะไรก็ได้ใครจะด่าเราก็ได้ใครจะชมเราก็ได้ใครจะดีกับเราก็ได้เขาใครจะร้ายกับเราก็ได้ การกรวดน้ำกับการแผ่เมตตาเหมือนกันไหมครับไม่หรอกคือการกรวดน้ำนี่เป็นการส่งบุญให้ให้กับดวงวิญญาณนะแต่มันก็ถือว่าเป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึ่งให้ความเมตตากับผู้แต่การการแผ่เมตตานี่มันมีหลายวิธีด้วยกันนอกจากการอุทิศบุญการซื้อของให้คนที่มีชีวิตอยู่ซื้อของขวัญในวันเกิดอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาหนึั คำว่าเมตตาเนี่มันจะกว้างกว่าการอุทิศบุญนี่มันเฉพาะเวลาที่เราทําบุญแล้วเราก็มีบุญที่จะแ บ, บ่งไปให้คนตายแล้วก็อุทิศบุญนี้ไปเวลาอุทิศบุญแต่ละครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งอยากเรียนถามคํากวดนาะคํากวดน้ําแห้งเวลาพระสัวที่ครอบคุมที่สุดครับเ อ, อ๋อใช่ภาษาเราไงเล็กภายในใจ ขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ร่วมรับไปแล้วก็จบแล้วก็เสร็จแล้วไปทําโรงทานมาครับแล้วเห็นคนมากินแบบกอบโกยเอาแบบโลภเห็นแล้วไม่สบายใจเราเห็นอย่างนี้บาปไหมครับก็เป็นการเห็นที่ไม่ฉลาดเนี่ยถ้าเราให้ขอแล้วเขาจะกินแบบนั้นก็เรื่องของเขาองไม่ใช่เรื่องของเราแล้วมันไม่ใช่เป็นของของเราแล้วเนี่ยคนบางคนให้ของเข้าไปแล้วก็มาทุกข์ใจเพราะ เขาไม่เลยทําตามที่เราอยากให้เขาทาถ้ายังก็อยา่าคราหน้าก็อย่าไปทํำกับเขาไปให้คนอื่นที่เข า, เ, ขาเรียบร้อยเขาสวยงามถวายพระไงพระเนี่ยเรียบร้อยสวยงามกว่าเยอะๆครับกรรมส่งผลอย่างไรในกรณีที่ว่าเขาเข้าใจผิดว่าเราอ่อนนี่มันเคยถามเมื่อกี้นี้นถามไปแล้วนะครับเข้าจะผิดหรือถูกไม่สําคัญ เขาทํากรรมอันใดว้าเขายังต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปการกรวดน้ําให้ผู้มีชีวิตอยู่เขาได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่ามันน้อยมากถ้าอยากจะให้เขาได้บุญบุญคือความสุขใจก็ซื้อของไปให้เขาดีกว่าเขาจะได้บุญมากกว่าแต่เนื่องจากถ้าคนตายเราซื้อของไปให้เขาไม่ได้เขารับของไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นบุญไปเท่านั้นเองแต่เขาจะได้ได้น้อยมากกว่า การที่เราจะให้ของเข้าโดยตรงเ้าก็ยังมีชีวิตอยูอ่ทายรับปฏิทินที่มีรูปของพระมหากษัตริย์เดินรูปพระอยู่ด้านหน้าปฏิทินหากปฏิทินหมดอายุการใช้งานแล้วและมีเก็บไว้ที่บ้านอยู่จํานวนหนึ่งเราจะมีวิธีการทําลายภาพสมมุตินั้นอยากถูกวิธีได้อย่างไรครับไม่กล้านาไปทิ้งเพราะกลัวจะเป็นบาปเคอไ์ดี้นบอว่าต้องทําลายภาพส ม, มุดนั้นด้วยการจุดไฟเผาครับ ก็ควรที่จะให้มันหายไปไม่ไม่คนรจะเป็นเศษขยะเป็นกองขยะเน่องจากเห็นภาพของผู้ของผู้ที่เราเขารงนักถืออยู่ในกองขยะมันก็ไม่ดีถ้าอยากจะทำลายก็เผาทิ้งไปหรือไม่ชนะก็ฝังไปก็ได้ก็คนลุมแล้วก็ใส่ฝังไปในดินไปเพื่อไม่ให้คนอื่นก็เห็นก็แล้วกัน การกรวดน้ำหลังสวดมนต์และใส่บาทจจำเป็นหรือไม่ครับอธิษฐานแผ่บุญในใจได้ไหมครับไม่ได้หรอกจะอุทิศบุญนี้เอาเฉพาะเวลาใส่บาทอย่างเดียวก็พ อ, อยังยังเงินบุญยังไม่เกิด น, นะตอนนี้มีความรู้สึกว่าไม่ต้องขึ้นภูดอยไปวัดป่าเพื่อปฏิบัติธรรมอยู่กรทมก็อยู่ที่บ้านภาวนาได้เพราะชีวิตทุกวันนี้เต็มไปด้วยภยัยพิบัต สงครามใหญ่ที่รอวันปะทคุความทุกข์ทำให้ตั้งใจปฏิบัติเหมือนยุป่าครับแล้วแต่เราถ้าอยู่ภาวนาที่ไหนได้ก็มันจำเป็นจะต้องไปที่อื่นก็ได้ชอบฝันถึงญาติญาติเพื่อนๆนที่ตายไปแล้วครับไปอยู่กับเขาเฉยๆชีวิตจริงไม่เคยคิดถึงเลยครับเรื่องความฝันนี่เราไม่ควบคุมครับมันไม่ได้หรอกมันจะฝันยังไงก็ให้ดู้ว่าเฉยๆก็จบแล้วกัน แม่พาลูกที่ยังเล็กไปตักบาตรโดยใส่ของที่แม่หามาลูกได้บุญด้วยไหมครับลูกยังไม่ได้บุญนัดเพียงแต่ลูกได้เรียนรู้วิธีทําบุญเป็นการปลูกฝังนิสยัยการทําบุญให้กับลูกเพื่อต่อไปเวลาเขาโตขึ้นเวลาเขาอยากจะทําบุญเขาจะได้รู้จักวิธีทำํำใส่บาตรด้วยเงินเขียนหน้าซองว่าถวายเป็นค่าน้าค่าไฟของวัดอย่างนี้ทําได้ไหมครับ ก็แล้วแต่ผู้รับควรจะท่านจะถวายให้กับวัดก็ต้องมาถวายให้กับวัดไม่ใช่ถวายให้กับพระที่รับถวายให้กับพระที่รับก็มันใช้ท่านให้เอามันนี้ไปให้ผู้จ่ายค่าน้ํำค่าไฟถ้าจะถวายให้กับพระผู้รับแล้วแต่เทียอาศัยก็เขียนไปทําบุญแล้วแต่เทียสายแต่ถ้าจะทําบุญเพื่อค่าน้ํำค่าไฟก็คนที่ไปทําบุญกับผู้ที่จ่ายค่าน้ํำค่าไฟ เคยไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทั้งวันพอถึงเวลานอนหลับมีสติตลอดได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงลมเช้ามาก็ไม่ได้รู้สึกว่างว่วงนอนยังนั่งสมาธิได้เหมือนเดิมสงสัยว่าอาการแบบอาการแบบนี้เรียกว่าอะไรครับเขาไม่เรียกว่าอะไรใครรู้ไมเฉยๆกัน okay. มีคนบอกว่าสวดบทยันทุนเขาว่าจะไม่นอนฝันร้ายอย่างนี้จริงไหครับอาจารย์ ไม่ร่วเหมือนกันนะเราส่วดดูสิ เ, เคยเป็นโรคมะเร็งครับมีความคิดว่าอยากจะลาออกกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแต่กังวลว่าถ้าเป็นอีกจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกครับถ้ายอมตายมันก็ไม่ต้องรักษาก็ได้ไม่ไงก็ลงตายอย่าดีไม่ใช่เหรอคนเรารับหวยใต้ดินนี่ผิดไหมครับอาจารย์ มันก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ถ้าผิดกฎหมายมันก็ผิดนะถ้ากฎหมายเขาไม่ส่งเสริมไปทําผิดมันก็ผิดกฎหมายทิ้งลูกและครอบครัวไปบวชผิดไหมครับถ้าเขาไม่เดือดร้อนก็ไม่ไม่ผิดนะถ้าเรามีการรับผิดชอบอยู่เราทิ้งให้เขาเดือดร้อนเราก็ยังผิดอยู่แต่ถ้าฝากใครเขาไว้แล้วว่าทิ้งเงินไว้ก้อนให้เขาดูแลตัวเขาเองได้ เขาไม่เดือดร้อนมราไปก็ไม่บาปที่ตรงไหนไม่ผิดตรงไหนนั่งขอไปครับอาจารย์บอกว่านอนกาหนดพุดโทโธเป็นบาปไหมครับไม่บาปคนเจ็บคข้ได้ป่วยนั่งไม่ได้ก็ต้องนอนทำแต่คนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้านั่งได้ก็ควรอย่านั่งจะดีกว่าจะได้สมาธิที่ดีกว่าแต่การนอนนอนทา พอนอนทำแทนที่ได้สมาธิอาจจะหลับไปก่อนก็นได้เป็นครูครับบางครั้งต้องโกหกเพื่อเป็นวิธีการหนึ่งของการสอนเด็กแต่เรามีสติและมีเจตนาชัดเจนว่าสอนให้เกิดสิ่งดีถือว่าผิดสี่ห้าไมครับแต่เรามีเจตนาที่ดีตอนเด็กจริงๆนะครับผิดเจตนาดีไม่ดีมันเจตนาที่ต้องใจรต้องการจะโกหกนี่มันเป็นตัวที่สําคัญกว่า นั่งสมาธิแล้วออกจากสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้ลูกหลานอย่างนี้ได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกแผ่ไม่ได้นั่งสมาธิมรู้ยังได้บุญหรือยังก็ไม่รู้เลยเราจะเอาบุญที่ไหนไปแผ่ให้เขาเวลานั่งสมาธิใจจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ตลอดเวลาแสดงว่าสติยังไม่พอใช่ไหมครับแล้วควรจะฝึกสติอย่างไรดีครับ เราใช้พูโทโธไปทั้งวันให้คิดอยู่แต่คำว่าพุโทโธพุโทโธก่อนที่เราจะมานั่งทำไปทั้งวันลยพระพุทธรูปที่บนหิ้งเราต้องถวายน้ำเป็นประจำไหมครับถ้าไม่ได้ถวายแล้วไม่ดีกับตัวเองหรือเปล่าครับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวตัดเพื่อนออกจากชีวิตหมดเลยเพราะไม่อยากวุ่นวายอย่างนี้ทำถูกไหมครับ ก็ทํำได้เป็นเสร็จของเราจะมีเพื่อนก็ได้ไม่มีเพื่อนก็ได้การฝากใส่บาทออนไลน์อย่างนี้ได้กุศลไหมครับได้ได้พอเราโอนมันไปแล้วก็ได้นะไม่ต้องร้ายเข้าไปใส่บาทให้เราพอเราบริจาคเงินของเราไปแล้วถึงแม้เขาจะโกงเราเขาไม่ได้ไปใส่บาทเราก็ยังได้บุญอยู่เพราะเจตนาเราชัดเจดเขนของเราต้องการจะทาบุญแเราใส่เขาเป็นผู้ทําให้ แต่ถ้าเรารู้ในภายหลังว่าเขาทาแบบนี้เราก็อย่าไปฝากเขาทำอีกเท่านั้นเองเตรียมของใส่บาทแล้วนะครับแต่ไม่ได้ไปใส่เองได้บุญไหมครับคนอื่นใส่ให้เราได้บุญส่วนที่เราทำํำคือถ้าเราเป็นเจ้าของเองินที่ซื้อของนี่มาเราก็จะได้บุญส่วนนี้โดยบุญที่เกิดจากการกระทํานี่ราไม่ได้ เกิดการเอาของไปใส่บาตรนี้เราไม่ได้ทําเองทุบุญส่วนนี้เราก็จะไม่ได้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการทําความเพียรเราจะไม่ได้แต่บุญที่เกิดจากการให้ทานเราได้อยู่เหมือนกันเหมือนเดิมทําบุญโรงพยาบาลอุทิศบุญคนญาติเสียชีวิตไปแล้วได้ไหมครับได้วันที่ได้ขานนด่าววีิงคนหนึ่งจังหวัดอุบลบริจาคเงินน้อย้านให้กับโรงพยาบาลได้หนึ่ง ยทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้กับโรงเยาบาก็ได้กับวัดก็ได้ได้บุญเหมือนกันลูกพูดไม่ได้แม่สวดมนต์แทนลูกได้ไหมครับลูกจะได้รับบุญนั้นไหมครับไม่ได้หรอบุญงต้องทาเองทําแทนยังไม่ได้เหมือนกินอาหารเนี่ยกินแทนยังไม่ได้ทําบุญวันพระหรือวันที่เราสะดวกไปทําได้บุญเหมือนกันไหมครับเหมือนกัน ทำบุญตอนเช้าแล้วมากรวดน้ําตอนค่ําอุทิศให้ที่เอา่ยนา้มจะได้รับอยู่ไหมครับได้แต่ก็อาจจะอาจจะไม่นอนรับมก็ได้เพราะว่าถ้าวันเวลาจะอุะทิศสักีนอนไปเก็อาจจะเบื่อเไปดีกว่าครับง <c oughs> ั้นทําบุญเสร็จให้เรีย่ผู้กวดไปเลยดีกว่าจะได้จบบางที่เราเมเริมเป็นวันวันไปเลยก็ได้ เคยเห็นคลิปบอกว่าไม่ควรจะสวดบทชินนบัญชรเพราะว่าเป็นบทที่แต่งขึ้นมาใหม่อย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์สวดได้ทั้งบทนะแต่สวดบทไหนก็ได้แต่แต้องสวดแบบมีสติถึงจะได้ผลนั่นเองสวดเพื่อให้จะมีสติเพื่อให้ใจสงบไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็ได้เหมือนกันเคยได้ยินว่าให้ฝึกดูจิตในขอคําแนะนําพระอาจารย์ว่าเป็นยังไงครับ ก็ดูจิตของเราไงดูความคิดของเราดูอารมณ์ของเราดูสิว่าเราควบคุมมันหยุดมันได้ปะ่ะเวลามันทุกข์เรหยุดความทุกข์ได้หรือเปล่าการการขอขามากรรมจะทําให้กรรมลดลงไหมครับไม่รรหรอกกรรมท่านจะทำไปกันเท่าเนืองแต่ความจางเวรจองกรรมของผู้ที่เราไปทําด้วยอาจจะลดลงได้ถ้าเขาให้อาภายัยเรา รักสวยรักงามแต่ก็ชอบที่จะเรียนรู้ทำลึกๆแล้วรู้สึกมันขัดแย้งในความพ้นทุกข์บางทีก็เครียดเล็กๆเพราะเหมือนขัดแย้งคนละทางหรือเปล่าครับการปฏิบัติเลยไม่ค่อยก้าวหน้าตอนนี้เน้นการฟังธรรมเป็นหลักครับคือเรื่องความสวยความงาม น, นี่มันเป็นเรื่องที่ถ้าตอนนี้ได้เพิ่งเริ่มต้นไม่ต้าไปกังวลกับมันขอให้เราปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิให้ได้ไปก็ได้มันไม่ขัดกันหรอกถ้าเรานั่งสมาธิแล้วแต่ง ต, ตัวให้สวยไม่เรื่องไม่สวยมันก็นั่งได้เหมือนกัน การนั่งสมาธินี่ก็อยู่กับมีการมีสติและไม่มีสติไม่ได้อยู่ที่ว่าใส่เสื้อผ้าชุดนั้นชุดนี้แต่งหน้าต่งตางๆหรือไม่อันนี้มันไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ว่าถ้าไปไปเน้นเรื่องการสวยงามมันก็จะให้เราเสียเวลาเวลาที่เราจะให้กับการนั่งสมาธิก็อาจจะน้อยลงไปเพราต้องมัมโมแต่แต่งหน้าต่างตาหาเสื้อผ้าสวยๆงามๆ ม, มาใส่ ถ้าความจริงมีห้าอย่างแต่เราบอกไม่หมดบอกไปแค่สามอย่างเองมิผิดศีลข้อมุสามไหมครับไม่เราพูดความจริงทั้งสามสามอย่างอีกสองอย่างเราไม่ได้พูดเท่านั้นเองครับการสวดมนต์เป็นหมู่คณะกับการสวดมนต์อยู่คนเดียวพลังบุญได้เท่ากันไหมครับได้เท่ากันถ้าท่านจิตมันสงบเนะี่ ใส่บาทแล้วต้องกวดน้ําทุกครั้งไหมครับอยู่ที่เราไงแล้วเราเราอยากจะส่งบุญไปให้ผู้ตายไหมถ้าเราต้องการส่งบุญให้ผู้ตายเราก็ต้องอุนทิ้นบุญไม่ต้องการหมุนทิ้นบุญนี้จะใช้การใช้น้ําก็ได้ไม่ใช้น้ําก็ได้ฝึกนั่งสมาธิอยู่ครับแต่ทําอย่างไรจึงจะฝึกสติให้นิ่งได้ตอนนี้ที่ตกใจเวลาตอนใช้รถใช้ถนนครับ ต้พยายามฝึกสติบ่อยๆทั้งวันพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆการอุทิศบุญควรกำหนดจิตส่งบุญกะทันทีเลยหลังจากบริจาคเงินสิ่งของหรือใส่บาทถ้าข้ามวันหรือเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงบุญจะหายไปหรืออุทิศไม่สาเร็จใช่ไหมครับคือบุญมันมันไม่หายไปนะเพียงแต่ ว, ว่ามันอาจจะเปนเหมือนอาหารที่มันเก่าแล้ว งั้นก็ถ้าทำบุญเสร็จใหม่ๆก็อุทิศไปเลยคนรับเขาจะได้นั่นรับของใหม่ๆของสดๆน้อนๆอาทิตย์ห้ามันก็อาจจะเป็นอาหารเก่าอาหารอาจจะเกิดอาการบูดขึ้นมาก็ได้การกำหนดจุดขณะหายใจเข้าออกพุทโธกำหนดไว้ที่จุดไหนครับสะดือใจหัวคิว้วหรือปลายจมูกครับโดยทั่วไปก็ดยที่ปลายจมูกเป็นหลัก ถ้าถูกมิจฉาชีพรวงเงินด้วยความโลภทุกข์ใจมากแต่ถ้าถือว่าทําบุญและมองว่าเป็นบทเรียนแบบนี้วางใจถูกวิธีไหมครับถใจเราสมมงบไม่เครียดไม่ทุกข์ก็ถูกวิธีถ้าคนกรณีเป็นทําบุญให้กันไม่ได้ใครทําใครได้แต่พอทําให้คนตายทําไมกรณีคนตายถึงได้รับครับก็เป็นกรณีพิเศษไง เป็นคารวาสถือศีลออกกำลังกายได้ไหมครับได้มีคุณแม่คุณแม่ตายนะครับขณะผ่าตัดอย่างนี้คิดว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเพราะว่าหมดอายุไข่ครับเกี่ยวหมดลนมดีกว่าหากเราต้องแนะนำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไม่ช่ชีพให้วางใจจากความทุกข์ครับอาจารย์ ให้แนะนำอย่างไรเนี่ยก็แล้วแต่คนที่เขาต้องการให้เราแนะนำเขาหรือไม่ถ้าเขาต้องการเขาบอกว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วถ้าเป็นของเราเดี๋ยวมันก็กลับมาหาเราเองหากคนนับถือศาสนาอิสลามตายและคนพุทธทําบุญให้ด้วยการทําบุญสังฆทานหรือใสาบาตให้ผู้ตายที่เป็นคนอิสลามผู้ตายได้รับบุญไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขามา ร, รับบุญหรือไม่ถ้าเขาไม่มาเรารับบุญเขาก็ไม่ได้บุญ ถ้าเราทำสมาธิไม่ให้จิตฟุ้งซ่านหนูสวดมนต์บทอิติปิโสออกเสียงสวดแบบช้าๆแบบมีสติไปเรื่อยๆแบบนี้ได้ไหมครับลองทำดูเลยใส่บาตรพระรูปเดิมทุกวันท่านบอกว่าไม่ใช่พระปฏิบัติครับแต่พระสงฆ์มีหน้าที่ปฏิบัติตามธรรมวินัยคำถามคือการอุทิศกุศลจากการใส่บาตรให้ผู้ร่วงรับได้บุญไหมครับได้ สำหรัสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับพุโทโธถือว่าเป็นภาวนาไหมครับพุโทโธถือว่าเป็นการเดินปัญญาไหมครับพุโทโธเป็นการเจริญสติเพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิยังไม่ได้เป็นการเดินปัญญาขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ในเฟซสามอเจ็ิห้าในยู3ามหิเจ็ในขับเจ็ดในติ๊กต็อกห้า้อยสิบสี่นะครับหนึ่งพันสอกิสองท่านนะครับ อ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา20นาทีอาจารย์ตอบไป122คำถามครับอาจารย์ครับก็หวังว่าการชนะธรรมถามตอบคำถามตอนนี้คงจะได้ประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อที่ท่านจะได้เอาไปใช้ในการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปการชนะธรรมสาหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำอเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจ พ, พิจารณาไปปฏิบัติ วความสุขการเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องอะไรก็คงจะได้พบกันคราวหน้าในวันอาทิตย์เช่นเคยขอเจริญพรก ร, พราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ